คำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าเรามุ่งเน้นมาที่ข้อปฏิบัติที่แท้จริงนีข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาก็คือการเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นะการเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั่นแหละเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติที่พึงต้องปฏิบัติจริงๆในบรรดาอริยศาสตร์ทั้งหลายอริยศาสตร์นี่มี4ข้อใช่ไหม ทุกสมุทัยนิโรธมักทุกขาริยศาสนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแล้วนะนะทุกคนไม่ได้กันดานไม่ได้แห้งแล้งไม่ต้องเจริญก็มีใช่ไหมชาติพิทุกขานี้ต้องเจริญไหมมีอยู่แล้วนะชราพิทุกขาก็อายุก็เพิ่มขึ้นทุกวันไม่ค่อยลดเลยลดแต่เฉพาะที่เหลือนะอาทีมีก็มีแต่มากขึ้นมรณะมไปทุกครังก็ ไม่รู้ใครจะได้ไปงานใครก่อนน็ะแต่ที่แน่ๆชีวิตของทุกคนที่เกิดมาแก่เจ็บตายเหล่านี้ก็เต็มไปด้วยความโศกความบ่นเพอเนี่ยนะแล้วก็บนปริเทวะก็คือบ่นเพอก็คือบ่นนั่นแหละมีความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความลำบากใจความเดือดร้อนทางร่างกายและจิตใจความทุกเหล่านี้ทุกคนไม่ได้ไม่ได้กันดานเลย ร่ำรวยมากเนี่ยนะทีนี้ตันหาสมุทัยศัสตร์คือตันหานั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงว่าตันหาเหมือนห่วงน้ำที่มันไหลท่วมทับเนี่ยนะน้ำท่วมนี่กันดานน้ำไแห้งแรงไหมไม่แสดงว่ามันมากไปด้วยน้ำฉันใดตันหาเวลาครอบงามกลุ่มรุมก็ลักษณะเดียวกันมันเยอะเหลือเกินแต่ละทวารแต่ละทวารเนี่ย ทวารตาหูจมูกเล่นกายใจสมุทัยคือตันหานี้จึงท่วมทับพระองค์จึงเรียกว่าโอคะเป็นตน้นทีนี้นิโรสัจจะก็คือความสงบทุกข์ความดับทุกข์ธรรมะที่สงบระงับดับทุกข์ซึ่งถ้าหากว่าผู้ใดปฏิบัติถึงก็จะดับทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงนี้่ข้อปฏิบัติที่จะทําให้ดับทุกข์อันนีนั้นก็คืออริย ม, มรรคประกอบไปด้วยองค์8ก็หนึ่งนะสัมมาทิฏฐิแปลว่า ความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะแปลูรเยอะๆเลยนะความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาสังกัปปะล่ะเมื่อรู้เห็นเข้าใจถูกต้องแล้วก็เอาความรู้ความเข้าใจนี่แหละมาตรึกตามบ่อยๆมาคิดตามความเข้าใจนั่นแหละให้มากอันนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะคนที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องคุนคิดตรึกในสิ่งที่ถูกต้องนั่นแหละ ถ้าพูดคำพูดนั้นก็เป็นคำพูดที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดอันนั้นก็เป็นสัมมาวาจาไม่พลาดไม่ตกไปในคำพูดที่เป็นวจีทุจริตคนที่พูดถูกเนี่ยนะพูดถูกต้องสิ่งที่เขาทํากายกรรมทั้งหมดที่เขาทําก็คือเป็นไปตามคำพูดที่ถูกต้องนั่นแหละเป็นไปตามความเห็นเพราะความคิดคำพูดการกระทำเนี่ยสอดคล้องต่อความรู้ความเข้าใจที่เรียกว่าทิฏฐิความเห็นเนี่ยนะ ความเห็นความเห็นความรู้ความเข้าใจอันนี้เนี่ยบางท่านก็มันมีหลายศัพท์ที่ใช้แทนกันสำ ม, มาทิฏฐิก็ใช้วิปัสสนาก็ใช้เป็นต้นธรรมวิจยะสามโพชงปัญญินีสีปัญญาภละก็คือสิ่งเดียวกันเนี่ยแปลว่าความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ที่ถูกต้องถูกต้องวันนี้ทุกทุกมันเป็นอย่างนี้จริงๆนี้สโมทยัยเนี่ยนะถ้าดับทุกข์กับสโมทัยได้ก็ต้องเป็นนิโรธ ความรู้ความเข้าใจอันนี้ที่ถูกต้องนั่นแหละเป็นเป็นอริยมรรคละนี้ความรู้ความเข้าใจต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นมิจฉามรรคอะไรเป็นสัมมามรรคความเข้าใจที่ที่ถูกต้องเนี่ยถือว่าสําคัญที่สุดในข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาอะไรต้องแยกให้ออกว่าเมื่อใดที่เราเข้าใจผิดไอ้ความเข้าใจผิดนั่นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดน ะ, ะ เ, นดเข้าใจผิ ด, CD, ผดไม่ไม่เข้าใจตาม ตามที่เป็นจริงความจริงเป็นอย่างไรเราไปเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอันนั้นแหละเรียกว่ามิจฉาทิฐิความเห็นผิดก็ pues, คือเข้าใจผิดนั่นแหละสอง ค, ความคิดใดที่สอดคล้องต่อความเห็นผิดอันนั้นแหละเรียกว่ามิจฉาสังกปะมิจฉาสังกปะเพราะว่าเป็นความตรึกที่ที่ผิดนะนะถามว่าผิดถูกเอาอะไรเป็นเครื่องวัด ande. นี่ผิดนะนี่ถูกอาอะไรเป็นเครื่องวัด เอาบอกว่าถ้าคุณคิดแบบนั้นบ่อยๆและคุณพ้นทุกข์ได้ไหมถ้าพ้นทุกข์ไม่ได้นั่นแหละเขาจึงเรียกว่าความเห็นผิดความเข้าใจผิดความรู้ผิดการปฏิบัติผิดข้อปฏิบัติที่ผิดก็คือข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติททแล้วไม่สามารถดับทุกข์ได้จริงในบ้านปลายแต่เพิ่มแต่ทุกข์ขึ้นเพิ่มแต่ทุกข์ขึ้นไอการกระทำก็การกระทําการปฏิบัติที่เพิ่มทุกข์นี่แหละเรียกว่าปฏิบัติผิดแต่ข้อปฏิบัติ ที่เป็นไปเพื่อการกําจัดทุกข์เป็นไปเพื่อดับทุกข์เป็นไปเพื่อสงบทุกข์อันนั้นแหละเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องอันะข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์มันอริยมรรคท่านจึงบอกว่าข้อปฏิบัติที่นําออกจากกองทุกข์ทั้งหลายนี่การเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยนะถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยก็คือเป็นคําสอนที่แยกวันนี้ปฏิบัติผิดนี้ปฏิบัติถูกอันะแยกให้เห็นมาแปนะอ่ะนะถ้าปฏิบัติ ตรงต่อสัมมาทิฐิเรียกว่าปฏิบัติถูกถ้าปฏิบัติตรงกันข้ามกับมิจฉาทิฐิเป็นปฏิบัติผิดข้อปฏิบัติที่เป็นไปตามสัมมาสังกัปปะปฏิบัติถูกถ้าปฏิบัติตามมิจฉาสังกัปปะปฏิบัติผิดเดี๋ยวเราจะเรียนนี่สูตรนี้เห็นชัดเลยเมก e ขิยาสูตรที่จะเรียนต่อไปเนี่ยพูดถึงพระเมกขิยะที่ไปปฏิบัติมิจฉาปฏิบัติ มิจฉาปฏิบัตินั้นไม่ได้เฉพาะแต่มิจฉาทิฏฐิเท่านั้นรวมทั้งมิจฉาสังกัปปะเป็นต้นด้วยเมื่อใดที่เป็นมิจฉาสังกัปปะเมื่อนั้นก็เป็นการปฏิบัติผิดเมื่อใดที่เป็นมิจฉาวาจาคำพูดไม่จริงคำพูดให้คนเขาแตกกันคำพูดที่หยาบคายคำพูดที่ไร้ประโยชน์คำพูดนี้ก็เ ป, ป็นการปฏิบัติผิดทางวาจาพฤติกรรมที่เป็นไปเพื่อการฆ่าการลักขโมยเป็นต้น อันนั้นก็เป็นการปฏิบัติผิดทางกายส่วนอาชีพละ่ะอาชีพที่ทําแล้วก็ได้บาปติดตัวมาอันนั้นก็เป็นมิจฉาอาชีพแล้วความเพียรละ่ะถ้าขยันเพื่อเจริญองค์มรรคเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปะเป็นต้นนั่นแหละเป็นสัมมาวายามะถ้าขยันทําตรงกันข้ามเป็นมิจฉาวายามะสติละ่ะสติก็ต้องไม่เลอะเลือน ไม่เลื้อเรือนตามสภาพที่เป็นจริงของอริยสัจทุกสัจเป็นอย่างไรก็ไม่เล้อเรือนเลืะเทอะสมุทัยสัจเป็นอย่างไรก็ไม่ไม่เขว่นะไม่เป๋เพราะบางคนนี่เจริญไปเจริญมาเนี่เจริญสมุทัยนะไม่ได้เจริญมัจอันนะอ้าวเจริญสมุทัยเป็นยังไงอ่ะก็เจริญตันหาไงเจริญความเพลิดเพลินเจริญตันหานั่นแหละเรียกว่าเจริญสมุทัยไม่ใช่เจริญมัจถถ้าเจริญมัจก็คือเจริญสัมมาทิฏฐิเป็นต้น แต่ที่สําคัญนั้นคนที่ปฏิบัติถูกเนี่ยนะเป็นคนที่จิตใจควรเป็นเช่นใดธรรมะนี้เป็นของคนฟุง้งซ่านหรือเป็นของคนมีจิตตั้งมั่นอ่านะเป็นคนที่ภายในห้านาทีคิดได้ห้าสิบเรื่องจะว่าดีไหมไม่ได้เรื่องแล้วเนาะเป็นของคนที่มีจิตตั้งมั่นคนที่มีสุขภาพจิตดีเยี่ยมนะถามว่าการปฏิบัติทั้งหมดเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดก็สังเกตจากสุขภาพจิตด้วยเหมือนกัน ถ้าสุขภาพจิตไม่ดีเรียกว่าฟุ้งซ่านสุขภาพจิตดีเรียกว่าสมาธิทีนี้สมาธินี่องค์ประกอบของสมาธิคืออะไรบ้างวิตกวิจารณอันหนึ่งที่น่าเครื่องสังเกตก็คือปีติถ้าทําไปแล้วปีติถ้าทําไปแล้วเฉาเฉาเฉาเฉแม้กระทั่งคนที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะถ้ายิ่งศึกษายิ่งปฏิบัติยิ่งอับเฉาเศร้าส้อยเนี่ยเขมาว่าโอ้โหหน้าสงสารจริงๆเลยนะ น่าสงสารมากๆเลยยิ่งปฏิบัติยิ่งเฉาเฉาเฉาเฉาจากกุศลนะแต่อกุศลมันมันมันร้อนแรงขึ้นเนี่ยแสดงว่าผิดพลาดมากมายความสําคัญที่สุดของการศึกษาถ้รทำก็คือการทําความเข้าใจให้ให้ถูกต้องเราจะปฏิบัติแล้วเจริญขึ้นหรือเสื่อมทุกวันทุกวันก็ดูที่ความรู้ความเข้าใจถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเราก็สามารถกําหนดเข็มทิศชีวิตของเราได้อย่างถูกต้อง ตนะามถูกต้องนั้นอนะ่สะสรุปว่าถูกผิดอะไรเป็นเครื่องวัดถ้าปฏิบัติผิดถ้าดำเนินไปแล้วประสบแต่ทุกข์ไม่มีจบสิ้นนั่นแหละเรียกว่าเป็นเหมือนเหมือนว่าเดินทางผิดนะใครที่เดินทางผิดก็คือเดินแล้วมันเดือดร้อนนะ่ะทางก็เสียด้วยถึงที่หมายก็ไม่ถึงโตนปล้นอีกต่างหากนะน้ำมันก็หมดรถก็เสีย เพื่อนก็แตกแยกทะเลาะเบาะแวงกันไปก็มีแต่โจรมีแต่ความเดือดร้อนหาอาหารไม่ได้หาที่พักผ่อนหลับนอนก็ไม่ได้เป็นต้นสรุปเดือดร้อนไปตลอดเลยนี่เขาเรียกว่าเดินทางผิดถ้าเดินทางถูกตรองกันข้ามปฏิบัติแล้วก็เจริญขึ้นมีความสุขขึ้นผลที่ได้รับต่อไปก็เป็นความสุขพระพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข์จริงแต่สอนให้ให้จมอยู่กับกองทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่สอนเพื่อความดับทุกข์เนี่ยนะ บอกว่าศ า, าสนาอะไรมองโลกแง่ร้า ย, ายมองเห็นแต่ทุกข์เขาว่าไงแต่จริงให้เห็นทุกข์เพื่อจะได้ดับทุกข์ไม่ได้เห็นทุกข์ให้ไปทุกข์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้กลัวความทุกข์อะไรหรอกพระองค์ยังบอกแม้กระทั่งนิพพานัางปรมังสุ ข, ขังก็พระองค์นั่นแหละตรัสนะแล้วพระองค์ก็ตรัสบอกว่ า, วาสุขบางอย่างมันมีโทษสุขบางอย่างไม่มีโทษนะเธอควรละสุขที่มีโทษแล้วไปเจริญสุขที่ ไม่มีโทษเนี่ยนะเหมือนกับสุขที่เกิดจากยาเสพติดเนี่ยนะเป็นสุขที่ดีไหมเป็นสุขที่มีโทษใช่ไหมถ้าถามว่าสุขที่เกิดจากกุศลธรรมมีโทษไหมไม่มีโทษแล้วควรเจริญความสุขอะไรอ่ะสุขที่มีโทษหรือไม่มีโทษ น, นะก็ควรเจริญสุขที่ไม่มีโทษมาขึ้นข้อความในคุถกานิกายอุทานเมคียวักที่สี่นะแสดงว่าเรียนไปแล้วสามสิบสูตร เมคิยวักในข้อ85ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยูนะ่นจาริกะบรรพ์ใกล้เมืองจาริกาก็สมัยนั้นแลท่านพระเมคิยะเป็นอุปทาคของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้แสดงว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นก่อนสมัยปฐมโพธิการคือหมายความว่าเรื่องราวนี้มีอยู่ในสมัย ก่อนอพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่45พันศาก่อนนะเข้าใจอยังไงกันพระพุทธเจ้ามีพระชนตอนเป็นพระพุทธเจ้า45าพันศาพันศาที่20เป็นต้นไปเนี่ยพระอนุล์อุปถากติดตัวตลอดเนี่ยนะพระอนุล์จะอุปถากตลอดเลยแต่ถ้าก่อนหน้านั้นช่วงตั้งแต่พรนศาแรกจนถึงภรรศา20อุปถากไม่แน่นอนบางครั้งนี้พระนาคาสมาลอุปถาเนี่ยเลย บางครั้งพระนาคิตะอุปถาคบางครั้งพระอุปวานะอุปถาคบางครั้งสุนัขคตะลิชวิบุตรเป็นอุปถาคบางครั้งสมณะจุนทะสมนุเทศคือน้องภาษาบุตรอุปถากบางครั้งภาษาคาตะอุปถาคบางครั้งก็พระเมคียะถึงตรงช่วงนี้เป็นวาระของพระเมคียะมาอุปถาคครั้งนั้นแลท่านพระเมคียะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วก็ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะเข้าไปบิณฑบาตในชันตุคามานะก็คือหมู่บ้านชันตุนะคามแปลว่าบ้านจะบินเข้าขอข อ, อนุญาตไปบิณฑบาตซึ่งเป็นธรรมเนียมด้วยนะว่าพระพิโุนั้นถ้าจะไปบิณฑบาตต้องขออนุญาตอาจารย์ ใ น, นพระพิสูจน์ที่อยู่กับพระพุทธเจ้าต้องไปขออนุ ญ, ญาตพระพุทธเจ้าจึงค่อยเข้าไปบินทบาตเนี่ยน ะ, นะต้องขออนุญาตนั่นจะต้องบอกลาไปบิณทบาทถ้าถ้ายังถือนิสัยอยู่เนี่ยนะเป็นเป็นวินัยเป็นวินัยกรรมด้วยว่าต้องบอกลาอุปชาบอกลาอาจารย์เพื่อเข้าบ้านบินทบาตทเพราะฉะนั้นะ logic, บางวัดนั้นธรรมเนียมเลยว่าเธอจะออกจากวัดเธอต้องบอกลาเข้ามาต้องม า, มารายงานเนี่ยนะสรุปว่ารายงานตัวทั้งเข้าทั้งออกแต่นั้นเป็นธรรมเนียมที่ดีเนี่ยนะ เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าหากว่าเข้าไปออกมาเนี่ยโดยที่อุปชาอาจารย์ไม่รู้แล้วท่านจะรับรองความปลอดภัยเราได้อย่างไรเนี่ยนะสำหรับผู้ที่รักกุศลธรรมอ่ะนะผู้ที่เขาเขาถือว่าการบวชเข้ามาเนี่ยมาสแสวงหาอริยทรัพย์เนี่ยั้นเขาจึงสังวรสำรวมระวังมากอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมผู้ที่ดำรงอยู่ในฐานะอุปช า, าจารย์เนี่ยระวังมากกลัวกลัวว่าอะไรก ล, ลัวลูกสิษิ์จะไปเสื่อม พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนเมเขิยะเธอจงสำคัญเวลาอันควรณนะบัดนี้เถธออันนี้เป็นภาษาของผู้ที่ฉลาดแล้วเขาจะไม่ใช้คําว่าอนุญาตหรือจะไม่ใช้คําว่าไม่อนุญาตแต่บอกว่าให้พิจารณาเอานะนะครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าท่านพระเมเขิยะนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังชันตุคามเพื่อบินธบาตครั้นเที่ยวไปในชันตุคามเพื่อบินธบาตแล้วกลับจากบินธบาตในเวลาปัจฉาภัท คือหลังจากฉันอาหารเสร็จก็กลับเนี่ย น, นะเข้าไปยังฝั่งแม่นม้ํากิมิกาลาครั้นแล้วเดินพักผ่อนอยู่ที่ฝั่งแม่นม้ํากิมิกาลาได้เห็นป่ามะม่วงอันน่าเลื่อมใสน่ารื่นรมครั้นแล้วคิดว่าป่ามะม่วงนี้น่าเลื่อมใสน่ารื่นรมจริงหนอป่ามะม่วงนี้สมควรแก่ความเพียรของกุลบุตรผู้มีความต้องการด้วยความเพียรจริงหนอ หมายความว่าเหมาะเหลือกเกินนะที่นี่ที่จะมาอยู่จเจริญกรรมาฐานถ้ามาบําเพ็ญสมณธรรมณตรงนี้เนี่ยต้องได้ดีแน่มางั้นถ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพ่งทรงอนุญาตเราใช้เราพึงมาสู่อัมพวันคือป่ามะม่วงนี้เพื่อบําเพญ็ญเพี้ยนะรมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าแต่ละคนเนี่ยไปเห็นสถานที่บางแห่งเห็นแล้วชอบมากคล้ายๆกับพวกซื้อที่ดินใช่ไหม ไปเห็นที่ดินบางแปลงที่คนอื่นทั่วไปมองโอยนี่มันที่ทิ้งขยะชัดๆเลยคนหนึ่งบอกโอ้ยที่ไหนจะงามเท่าที่ตรงนี้ไม่มีอีกแล้วที่นี้ดีที่สุดในความคิดเขาอ่ะนะดีมากชั้นใดก็ดีในทางพระศาสนาก็ลักษณะเดียวกันพระพิสุไปเห็นสถานที่บางแห่งท่านบอกอตรงนี้สปายะตรงนี้ดีถามว่าเพราะเหตุใดอย่างพระเมขิยะเนี่ยไปเห็นสถานที่ตรงนี้แล้วท่านเลื่อมสายท่านชอบ เหตุผลก็เพราะว่าท่านเคยเป็นพระราชาและที่ตรงนั้นเป็นอุทยานของท่านเนี่ย500ชาติที่ตรงนั้นเคยเป็นอุทยานเป็นสวนที่ตัวเองมามาเดินทอดอารมณ์แบบสบายใจเนี่ยติดกัน500ชาติพาะท่านเห็นสถานที่ตรงนั้นเนี่ยใจเนี่ยจึงน้อมไปเพื่อที่จะอยู่ที่นั้นด้วยด้วยอะไรด้วยที่เคยอยู่เคยอยู่ตรงนั้นมานาน่ะนะ ก็คิดเลยว่าจะกลับไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าแล้วมาเจริญความเพียรอยู่นะที่นี้ครั้งนั้นแหลท่านพระเมขียะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวรโรกาสเวลาเช้าข้าพระองค์นุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังชันตุคาม ครั้นเที่ยวบินทบาทในชันตุคามแล้วกลับจากบินทบาทในเวลาปัจชาพัดเข้าไปยังฝั่งแม่น้ำกิมิกาลาครั้นแล้วเดินพักผ่อนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำกิมิกาลาได้เห็นอัมพวันคือสวนมะม่วงหน้าเลื่อมสายน่ารื่นรมจึงคิดว่าป่าอัมพวันนี้หน่าเลื่อมใสาน่ารื่นรมจริงหนออัมพวันนี้สมควรเพื่อความเพียรของกุลบุตรผู้มีความต้องการด้วยความเพียรจริงหนอ ถ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงอนุญาตเราใสเราพึงมาสู่อัมพวันนี้เพื่อบาเพ็ญเพียรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ <c oughs> ถ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงอนุญาตข้าพระองค์ใสข้าพระองค์พึงไปสู่อัมพวันเพื่อบําเพ็ญเพียรนะนะอยากจะเจลีกเลนเจริญกรรมฐานมากนะ <c oughs> ทนี้พระพุทธเจ้าก็ห้ามพระองค์ตรัสว่าดูก่อนเมเขิยะจงรอก่อนเราเราจะอยู่แต่ผู้เดียวจนกว่าภิสูุรูปอื่นจะมาหมายค่าว่ารอก่อนนะถ้ามีพระพิกษุรูปอื่นมาอยู่มาอยู่เป็นอุปถากแล้วเธอค่อยไปฟังเหมือนกับว่าโอโ้พระพุทธเจ้านี่เป็นยังไง อ, นนะอะไรอาวรกลวงเงาสิถ้าอยู่คนเดียวไม่ได้อนนะต้องให้คนอื่นเข้ามาผลัดเวรไปก่อนใช่ไหม แล้วค่อยไปจริงอย่างนั้นไหมไม่พระองค์บอกอธิบายว่าอาคเมหิตาวะความว่าพระศาสดานั้นครั้นทรงสดับคําของพระเถระแล้วก็เมื่อไครครวนจงึงทรงทราบว่ายานของเธ อ, อยังไม่ถึงความแก่กล้าปัญญาไม่ดีสักเท่าไหร่นะั่นนะถ้าปัญญาไม่ดีเนี่ยไปแล้วเสียหายกลับมาแน่เนี่ยนะนะนะเมื่อจะห้ามก็ตรัสอย่างนั้น ทีนี้การห้ามเนี่ยเป็นการห้ามแบบเพื่อให้เกิดจิตใจที่อ่อนโยนขึ้นนะเพราะว่าไปแล้วอย่างไรเสียพระองค์รู้แล้วว่าพระเมขิยะไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จกลับมาทีนี้ถ้าหากว่าไปไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าพูดกันไม่ดีสมมติว่าพูดแบบเชิงทะเละกันนะเข้าไปแล้วเขาจะไม่กลับมันพระพุทธเจ้า ก, ก็จะพูดแบบเออเธอไป คือเป็นการพูดเผื่อว่าถ้าเธอไปแล้วกุศลไม่เจริญก็จงกลับมา น, นะคําห้ามนีแ่แปลโดยความหมายว่าถ้าเธอไปแล้วเธอปฏิบัติตามตามนั้นไม่ได้เธอจงกลับมาเรียกว่าให้รู้กันโดยอ้อมทีนี้ท่าเมขยะก็ไม่เข้าใจพุทธประสงค์แบบนั้นท่าเมขยะกก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีกิจอะไรอะไรที่พึงทําให้ยิ่งหรือไม่มีการสั่งสมอริยมัชที่พระองค์กระทาแล้วแต่ข้าพระองค์ยังมีกิจที่พึงทําให้ยิ่งยังมีการสั่งสมอริยมัคที่ทําแล้วถ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงอนุญาตข้าพระองค์สายข้าพระองค์เพึงไปสู่อัมภวันนั้นเพื่อบําเพ็ญเพียรนนมีข้ออ้างเลยนะ ก็พระองค์บาเพ็ญเสร็จแล้วนี่บางอันนะก็ก็จริงอ่ะนะบางคนเนี่ยนี่ก็เหมือนกันก็พระองค์ไม่มีกิจสิบหกพระองค์เนี่ยไม่ต้องเจริญกิจสิบหกในอริยศาสตร์สด้วยอริยมรรสสี่อีกแล้วหมายคําว่ากิจในพระพุทธศาสนามีสี่อย่างปริญญากิจปหานากิจสัชกิกะสัชกาตภกิจและก็ภาเวตภกิจ คือกิจในการกําหนดรู้กิจในการละกิจในการทําให้แจ้งและกิจในการเจริญเรียกว่ากิจในอริยสัจสี่อริยสัจสี่เนี่ยทำกิจโสดาปติมัคก็ทํากิจสี่สกทาคามิมัคก็ทํากิจสี่อนาคามิมัคก็ทํากิจสี่อรหัตตมัคก็ทํากิจสี่มัคสี่ทำกิจในอริยสัจสี่สี่คูณสี่ก็เท่ากับสิบหกิจสิบหในอริยสัจสี่เหล่านี้ พระองค์ทำเสร็จแล้วพระองค์ไม่ต้องทำอย่างอื่นอีกแล้วอริยมรรคพระองค์ก็สมบูรณ์แล้วโสดาปติมรรคสกาธาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคก็พระองค์เจริญเสร็จแล้วตรงข้ามสิข้าพระองค์มีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปข้าพระองค์นี้ยังต้องมีกิจที่จะต้องบำเพ็ญอธิศีและสิกขาข้าพระองค์ต้องบาเพ็ญกิจคืออธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขา ยังต้องมีการสั่งสมอริยมรักเนี่ยนะอริยมรั ก, ก็ยังไม่เกิดเลยเนี่ยจะต้องสั่งสมอริยมรัคให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าพราะองค์อนุญาตข้าพราะองค์จะไปบำเพ็ญเพียร น, นะยืนยันเมืเลิกเกินว่าครั้งนี้ชนะแน่เหมือนนนะอนุญาตเถอะข้าพราะองค์จะปฏิบัติให้บรรลุเลยเหมือนนคือคำพูดเนี่ยนะเป็นอาถทานมากเลยนะเรียกว่ากล้าคารพระพุทธเจ้านี่ก็คือไม่ธรรมดาแม้ครั้งที่สองพระองค์ก็ห้ามอีกแม้ครั้งที่สาม นะคระองก็ห้ามอีกพอครั้งที่สามนี่นะก็ขออนุญาตอย่างนี้สรุปขออนุญาตว่าขออนุญาตบอกว่าข่าพระองค์เนี่ยนะยังมีกิจที่จะต้องทําให้ยิ่งข่าพระองค์กับพระองค์นี่ต่างกันเอางี้นะว่าพระพุทธเจ้าทํากิจเสร็จแล้วข้าพระองค์ยังไม่ได้ทํากิจพระพุทธเจ้านี่สังสมอริยมรรคเสร็จแล้วข้าพระองค์ยังไม่ได้สังสมอริยมรรคเพราะฉะนั้น ถ้าพระองค์อนุญาตข้าพระองค์จะไปสู่ป่าอัมพวันไปอยู่ป่ามะม่วงเพื่อจะบำเพ็ญเพียรหลายๆแห่งถ้าดูสวนมะม่วงจริงมันก็น่าอยู่สวนมะม่วงไปดูหลายๆแห่งสังเกตดูแถวแถวฉะเชิงเซาก็เหมือนกันที่เขามีสวนมะม่วงเยอะๆเนี่ยพื้นที่สวนมะม่วงเป็นร้อยร้อยไร่ก็น่าอยู่ที่อินเดียนีก็มีหลายแห่งที่เป็นป่ามะม่วงเห็นแล้วก็น่าอยู่เห็นแล้วก็น่าอยู่สําหรับผู้ที่เข้าใจในการเจริญ กรรมฐานเข้าใจข้อปฏิบัติเข้าใจคำสอนเข้าใจวิธีการพิจารณาอริยศาสนั้นเห็นสถานที่หลีกเล่นเนี่ยก็จะชอบมากเพราะจะได้มีเวลาในการใไขครคววพิจารณาพระธรรมได้มากทีนี้พระองค์ก็ตรัสเป็นครั้งที่สามตอบว่าดูก่อนเมขิยะเราพึงกล่าวอะไรกะเธอผู้กล่าวอยู่ว่าบำเพ็ญเพียรดูก่อนเมขิยะเธอจงสําคัญเวลาอันสมควรณบัดนี้ ก็คือห้ามห้ามจริงๆก็ห้ามไม่ได้หรอกยังไงก็ไปคนจะไปจริงๆเนี่ยก็ห้ามไม่ได้มีมีอีกเรื่องหนึ่งเขาคล้ายๆแบบเนี้ยพานาคาสมาละนั่นนั่นก็เหมือนกันก็มีทางสองทางทางหนึ่งเป็นทางตรงอีกทางหนึ่งเป็นทางอ้อมพานาคาสมาละก็ขออนุญาตบอกขอไปทางตรงพระพุทธเจ้าบอกไปทางนี้เธอก็ไม่เชื่อพอไม่เชื่อก็วางบาทวางจีวรพระพุทธเจ้าไว้กลางถนนนั่นแหละ ตัวเองก็เลยหลีกไปก็ถูกโจนตีมาสะ น, น่วมหมดเลยเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันพระพิสุขขนาดอยู่กับพระพุทธเจ้าเขาไมา่ใชจะว่าง่ายไปทุกรูปอ่ะนะก็แต่ว่าต้องจ่ายค่าดื้ออยู่แล้วนะเด้อเท่าไหร่ก็ต้องเสียหายเท่านั้นตามสมควรครั้งนั้นแลท่านพระเมขยะลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักษิณแล้วเข้าไปยังป่าอัมพวันสวนมะม่วงอันนั้นครั้นแล้วได้เที่ยวไปใน ทั่วสวนมะม่วงคือป่าอัมพวันเนี่ยนะนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งครั้งนั้นท่านพระเมขิยะพักอยู่ในอัมพวันนั้นอกุสลละวิตตกที่เป็นบากลามกเนี่ยนะสามประการคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตตกย่อมฟุ้งซ่านโดยมากหมายว่าเจริญกรรมฐานในนิดเดียวที่เหลือคิดเรื่องอกุศลหมดเลย น, นะจะไปเจริญสาัมมาสังกัปปะที่ไหนได้ไพล่ไปเป็นแต่มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาสังกปะที่เกิดขึ้นเรียกว่าปฏิบัติผิดถ้าจิตเป็นไปกับสัมมาสังคปะเป็นเป็นการปฏิบัติถูกคือเจริญเนี่ยเจริญมรรคแปดใช่ไหมถ้าเป็นมิจฉามรรคเมื่อไหร่เป็นการปฏิบัติผิดถ้าปฏิบัติไปตามสัมมามรรคเป็นการปฏิบัติถูกครั้งนั้นแหละท่านพระเมขยะคิดว่าน่าอัศจรรย์หนอะแบบอัศจรรย์ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าอัศจรรย์น่ายกย่องนะอัศจรรย์ที่น่าตำหนิมา ก, กอ่ะนมันเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ น่าอัศจรรย์หนอไม่เคยมีมาแล้วหนอะเราออกบวชเป็นบนรรพชิตด้วยศรัทธาแต่กลับถูกอกุศลวิตกอัลลามกสามประการนี้คือการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกครอบงำแล้วจะมาเจริญมรรคซะหน่อยเนี่ยนะเจริญไปเจริญมามีแต่อกุศลกลุ่มรุมครั้งนั้นเวลาเย็นท่านพระเมขียะออกจากที่นันะนะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะไม่สปายะเจริญมรรคต่อไม่ได้ ก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสเมื่อข้าพระองค์พักอยู่ในอัมพวันอากุสลวิตกอัญลามกสามประการคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกย่อมฟุ้งซ่านโดยมากข้าพระองค์คิดว่าน่าอัศจรรย์หนอไม่เคยมีมาแล้วหนอ ก็เราออกบวชเป็นบนรรปะชิตด้วยศรัท ธ, ธาแต่กลับถูกอกุศลวิตกอันลามมกสามประการคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกครอบงำเนีย่ยนะคือแปลกใจมากะนะไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเราไม่เคยมีเจตนาที่จะมาเจริญอกุศลวิตกแต่ทาไมพอทำไปทามาอากุศลวิตกเนี่ยเกิดขึ้นเอาเกิดขึ้นเอาในอัตกาถาสะหน้าสามร้อยแปดสิบสี่ย่อหน้ากล่าวถึง เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นที่วาวิหารังนิสีธิความว่าพระเถระนั่งพักผ่อนในกลางวันก็พระเถระนั่งบนแผ่นศิลามงคลเป็นแผ่นหินท่อนหินเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนตนเนี่ยเคยเป็นพระราชาติดการ500ชาติตามลำดับทรงกรีธาในพระราชูทยา น, นั่งแวดล้อมด้วยนักฟ้อนต่างๆเป็นที่ที่เดียวกันที่สมัยเคยเป็นพระราชาก็มานั่งอยู่ตรงนี้แหละ เป็นชาติที่เคยอะไรเคยมีสมัยก่อนเนี่ยนั่งตรงนั้นไม่ได้นั่งเจริญกรรมฐานใช่ไหมนั่งเจริญการมวิตกเพราะว่านั่งเจริญให้อ่าไปนั่งดูเขาเต้นรำอ่ะนะนั่งดูเขาเต้นรํานั่งดูในสถานที่เดียวกันคิดง่ายๆนะตรงไหนที่เรานั่งเพอย์เจอร์บ่อยๆลองนั่งเจริญกรรมฐานตรงนั้นดูสิอ่นะที่ตรงไหนที่เราเคยนั่งดูหนังฟังเพลงอ่ะนะแล้วนั่งฟังธรรมตรงนั้นดูจะเป็นยังไงนั่งไปนั่งมามันก็ลอยเข้าแต่ร่องเก่าหมดอ่ะนะ เพราะฉะนั้นครั้งนะ่ะตั้งแต่เวลาที่ท่านนั่งเป็นเหมือนกับภาวะแห่งสมณะหายไปไม่เรียกว่าลืมว่าตัวเองนี่เป็นสมณะด้วยซ้าไปลืมเลยนะเกิดเป็นเหมือนกลายเป็นเพศของพระราชาที่ห้อมล้อมไปด้วยบริวาร น, นักนักฟอ้อนนั่งบนบัลลังก์อันควรค่ามากมายภายใต้เสเวตฉัตรนั่งไปไม่ได้นึกว่าตัวเองเป็นพระด้วยซ้าไปนึกว่าตัวเองกําลังเป็นพระราชาอยู่ พอท่านยินดีในสมบัตินะ่ะนะคือหมายถึงว่ายินดีในการที่ได้ที่นั่งอันดีมีคนที่เป็นบริวารห้อมล้อมกามวิตกก็เกิดขึ้นคือเพลิดเพลินมีความสุขกับแบบนั้นนะ่ะนะการยินดีเพลิดเพลินแบบนั้นแหละเรียกว่ากามวิตกเกิดขึ้นขณะนั้นเองท่านก็ได้เห็นเป็นเหมือนกับเห็นโจนเนี่ยถูกออสองคนเนี่ยถูกจับมาพร้อมกับของกลางมายืนอยู่ตรงหน้าสมัยก่อนนี่เป็นพระราชาชัมระคดีความเกือบทุกแห่งหมดนะ่ะนะ ในโจรสองคนนั้นพยาบาทวิตกก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจการสั่งให้ฆ่าโจรคนหนึ่งการสั่งฆ่าเนี่ยเจตนาสั่งฆ่านั้นเป็นพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็คือสั่งให้จองจำโจรคนหนึ่งไปโบยมันไปเขียนมันนะนะสั่งให้จองจำลักษณะนี้เรียกว่าวิหิงสาวิตกอกุศลวิตกเนี่ยนะซึ่งตรงกันข้ามกับกุศลวิตกอกุศลวิตกเป็นมิจฉาสั่งกับปะกุศลวิตกเป็น สัมมาสังกปะสัมมาสังกปะคือ1เนคขมะสังกปะ2องอภยปาธาสังกปปะสามอวิหิงสาสังกปะส่วนมิจฉาสังกปะมี3ข้อปฏิบัติผิดนะกามะวิตกหรือกามะสังกปะพยาปาธาสังกปะกับวิหิงสาสังกปะสังกปะกับวิตกงนอนเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านนั่งอะนะนั่งเอาไงกามาวิตกคือนั่งเพลิดเพลินในสมบัติในความเป็นพระราชาที่มีสนมกำนันนักร้องฟ้อนรําเต็มไปหมดเนี่ยอันนี้การมาวิตกสองพยาบาทวิตกก็คือสั่งฆ่าโจรวิหิงสาวิตกก็สั่งจองจําเขี้ยนตีโจรอันนี้เป็นวิหิงสาวิตกก็อกุศลวิตกสามประการเกิดขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็เป็นผู้แวดล้อมเกลื่อนกล่นไปด้วยอกุศลวิตกเหมือนต้นไม้ถูกล้อมด้วยเชิงเถาวันและเหมือนรวงพึ่งแวดล้อมไปด้วยตัวพึ่งเช่นั้นกุศลไม่แทรกเข้ามาเลยอนะอกุศลล้วนๆเลยนะก็บางคนเนี่ยก็ว่าวันนี้จะนั่งให้มันสงบๆนะนั่งฟุ้งอย่างเดียวในชะ่ไหมบอกว่าจะนั่งสงบชั่วโมงหนึ่งนะเท่ากับนั่งฟุ้งชั่วโมงหนึ่งท่านก็เลยอัศจรรย์ใจ อ, อัศจรรย์ใจว่าโอม อัศจรรย์แบบติเตียนมันเป็นอย่างนี้ไปได้อย่างไรอ า, อาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่าอย่างนี้นะว่าอากุศลวิตกของพระเมเขียะว่ากามาวิตกเกิดขึ้นแก่ท่านด้วยอานาจความโลภเพราะดอกไม้ผลไม้และใบอ่อนเป็นต้นบางคนเนี่ยเป็นพวกนักชมสวนพวกนี้เห็นใบไม้เนี่ยก็จะงามอ๊ย้ยใบแต่ละใบก็งามเหลือเกินสีก็สวยดอกดูสิดอกก็สวยผลเล็กผลน้อยก็สวยแต่ละลูกก็สวยสวยไปหมดเลยเนะถ้ามีอะไรเนะี่ย บางพวกที่ชอบกล้วยไม้ใช่ไหมกล้วยไม้ป่าถ้ามีกล้วยไม้ป่ามาติดอยู่ตามนั้นด้วยก็ชมชมดอกชมผลอยู่นั่นแหละทีนี้พยาบาทวิตกเกิดขึ้นเพราะได้ฟังเสียงนกเป็นต้นที่ร้องด้วยเสียงแข็งอนะนะถ้าอยู่ๆแล้วก็เสียงพวกอะไรนะเสียงนกอะไรนะนกฮูกเป็นต้นมาร้องอยู่แถวๆนั้นเนี่ยจะพร้อมไหมไม่เข้ากันเลยนะพยาบาทวิตกก็เกิดขึ้น ทีนี้วิหิงสาวิตกเกิดขึ้นเพราะประสงค์จะห้ามนกเหล่านั้นด้วยก้อนดิน น, น, นะเดี๋ยวก็ไ like ล่ซะหรอกเดี๋ยวพวกตีให้หรอกอะไรเงั้นนะนั่นเป็นวิหิงสาวิตกอันนี้อีกนายหนึ่งอีกนายหนึ่งกามวิตกเกิดขึ้นเพราะมุ่งหมายว่าเราจะอยู่ที่นี่แหละบางคนคิดเลยม่าจะสร้างวัดอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยนะนั้นแหละกามวิตกอนนั้นยึดติดในสถานอะไรนะเพลิดเพลินในสถานที่ตรงนั้น เขาไม่คิดหรอกว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยเริ่ ม, มนะ่ะนเริ่มตั้งแต่สร้างสร้างที่พักหาน้ําหาไฟโอ้สารพัดอยู่นั่นนะ่ะเขาไม่รู้ว่ากองทุกมันจะตามมาอีกเท่าไหร่ก็เลยนึกว่ามันดีใช่ไหมพยาบาทวิตกเกิดขึ้นเพราะได้เห็นพรานไพรทั้งหลายพวกนายพรานในที่นั้นน่ะ น, นะก็เลยกโกรธพวกนายพรานในชะพวกนายพรานมายิงนกเอ่อนะยิงนกล่าเนื้อเป็นต้นก็ไม่ชอบวิหิงสาวิตกก็เกิดขึ้นเพราะประสงค์จะเบียดเบียนนายพรานเนี่ยนายพรานเนี่ยจะต้องเรียกมาต่อว่าซะหน่อยนะ่ะนะ แต่การเรียกมาต่อว่าต่อขานเป็นต้นความคิดแบบนั้นเป็นวิหิงสาวิตกสรุปว่าอากุศลวิตกเกิดขึ้นด้วยเกิดขึ้นเยอะนะตอนที่ไปนั่งอยู่เนี่ยกุศลลจิตไม่เกิดเลยมีแต่อากุศลวิตกนั่งนั้นนะ่ะนั่งมิชามักนั่งเจริญมิชามักถ้าปฏิบัติตามนี้มากๆไปไหนแล้วดีไม่จุตินะจุติก็ไปไม่ดีแน่เพราะเป็นมิชามักใช่ไห พวกพวกนี้เนี่ยเป็นมักมาาปั จ, จโยเนี่ยนะเป็นมักอากุศลวิตกเหล่านี้ถ้ายิ่งมันมีกำลังมากการมวิตกที่มีกำลังมากก็เป็นอภิชาพยาบาทวิตกมีกำลังมากก็เป็นพยาบาทพวกนี้ครบองค์กรรมบทนำเกิดได้หมดเล ย, ยนะก็ไปอบายได้หมด บทว่าเยนะพะควาเตนุประสังกมิความว่าพระเถระนี้เกลื่อนกล่นมากไปด้วยมิจฉาวิตกอย่างนี้ก็ไม่อาจจะทํากรรมฐานให้เป็นส ป, ปายะนะจึงกําหนดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นการไกลได้เห็นเหตุอันน้าอัศจรรย์นี้หนอจึงทรงห้ามคิดว่าเราจะกราบทูลเหตุนี้แด่พระทศพลจึงลุกขึ้นจากอาสนะที่นั่งเข้าไปฟ่อมพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับนะก็ไปเล่าถวายพระพุทธเจ้าให้พระองค์ฟังว่า อกุศลธรรมอั ล, ลามกเนี่ยนะอกุศลเนี่ยเราเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมว่าอากุศลเนี่ยแปลว่าอะไรอกุศลเนี่ยแปลว่าสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลศัตรูของกุศลอย่าง เ, เรียกว่าอามิดเนี่ยนะอามิดเนี่ยแปลว่าไม่ใช่มิรใช่ไหมอามิตรนี่ไม่ใช่มิรใช่ไหมอามิตรนี่แปลว่าศัตรูคนนี้ไม่ใช่มิดนะก็แปลว่านั่นคือศัตรู อากุศลก็ลักษณะเดียวกันก็คือเป็นศัตรูของกุศลเช่นอโลภะก็เป็นศัตรูของโลภะอโทสะเป็นศัตรูของโทสะอโมหะเป็นศัตรูของโมหะอะตัวนั้นแปลว่าศัตรูหรือเป็นปฏิปักเนี่ยนะเป็นฆ่าศึกมันอากุศลนี่ก็แปลว่าเป็นฆ่าศึกต่อกุศลเป็นฆ่าศึกที่เลวมา ก, ก น, นะก็เลยเรียกว่าลามกเนี่ยนะบาป อกุศลเหล่านี้ที่ชื่อว่าลามกเพราะเป็นเหตุนําสัตว์ให้ไปถึงทุกขติอกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนำไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนารกได้ฟังอยู่อย่างนี้เอออกุศลวิตกแบบนี้มันไปพาไปอบายได้หรือมันพาไปจริงหรือบางทีสงสัยนะจริงหรือเปล่าถ้ายมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะบอกไม่จริงหรอกเพราะว่าแถวๆนี้มันไม่ค่อยมีสัตว์ในอบายแต่ถ้าไปนั่งอยู่ตามป่าจริงๆเนี่ยมันเป็นไปได้ ในป่าเนี่ยนะนั่นจะได้ยินเสียงคนหนึ่งคนที่เหลือเสียงอบายหมดเล ย, ยนะเสียงสัตว์อบายเสียงสัตว์เดรชานแวกพงหญ้าพงป่ามีแต่สัตว์เดรชานทั้งนั้นใบไม้ที่เราว่ามันสวยๆนะถ้าไปพลิกดูใบนี่มีแต่เดรชาณหมดเลยทั้งหมดทั้งปลวกเนี่ยนะทั้งแมลงแมลงก็มีสารพัดชนิดมันเยอะจริงๆอบายเนี่ยมากจริงดูไปในน้ําก็มีแต่พวกสัตว์น้ําก็มีแต่สัตว์ถามว่าสัตว์เหล่านั้นอดีตเขาเคยเป็นมนุษย์ไหม เคยเนี่ยนะแต่ทำไมจึงไปเกิดในอบายล่ะก็เพราะอากุศลในอดีตนั่นแหละเป็นปัจจัยนําไปปฏิสนธิในอบายเพราะนั้นพระพิสุรุมนี้ท่านบอกว่าอากุศลธรรมเหล่านี้ทําให้ถึงทุกขตินะแล้วก็สิ่งนี้เป็นปฏิบัติต่อกุศลเป็นปฏิบัติต่อการเจริญองค์มัตที่ชื่อว่าวิตกเพราะตรึกคือคิดได้แก่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะคิดอยู่เรื่องนั้นแหละ เช่นคิดถึงคิดว่าชอบชอบชอบคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นลักษณะกา ร, รมวิตกคิดแล้วเกลียดเกลียดเกลียดเกลียดอันนั้นเป็นพยาบาทวิตกคิดนั้นมันต้องเอาซะหน่อยต้องหาเรื่องนะต้องหาเรื่องทำให้เขาเดือดร้อนต้องหาเรื่องไปเป็นหญิงสาวิตกใครที่ครุ่นคิดแบบนี้เป็นมิจฉามักปฏิบัติแล้วก็ถึงอบายนะเนี่ยอีกในหนึ่งที่ชื่อว่ากามวิตตก หมายคขาว่าวิตกที่สัมปยุตด้วยกิเลสกรรมมีวัตถุกรรมเป็นอารมณ์การมมวิตกก็คือตัณหาที่เกิดขึ้นคิดถึงสิ่งที่สวยงามคิดถึงสิ่งที่ตัวเองชอบเห็นไหมจิตนี้เป็นอกุศลคิดถึงสิ่งที่ตัวเองชอบอันนี้เรียกว่ากามวิตกนะคิดถึงผ้าสวยๆคิดถึงอาหารอร่อยๆเป็นต้นเนี่ยนะที่ตัวเองชอบอันนั้นเป็นลักษณะของอกุศลวิตกที่เรียกว่ากามมวิตกส่วนพยาบาทวิตกละ่ะก็ ไม่ชอบเลยเอาแต่ของไม่ชอบมาให้เราอย่างเง้ยนะเายกอาหารอะไรมาให้ก็ไม่รู้อย่างเั้นเยนะเคยไหม น, นี่อาหารอะไรเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะกินแบบนี้เนี่ย น, นะก็เลยโกรธเลยพวกนี้เป็นทยาบาลวิตตกเนี่ย น, นะคล้ายๆว่าสมมตินะถ้าเป็นกามวิตกก็บอกโอ้โหแม่ครัวนี่ยกอาหารที่ถูกใจมาให้จริงๆเลยนะชอบอันนี้ก็ชอบอันนั้นก็ชอบอันนั้นก็ชอบอันนี้เป็นกามวิตตก ทยาบาลวิตกเนี่ยนะโอ้ยเอาอะไรมาให้เนี่ยนะใช้อะไรปรุงเนี่ยใช้มือหรือเปล่าปรุงเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นลักษณะของพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยนะต้องตัดเงินเดือนได้แล้วเนี่ยนะตัดเงินเดือนต้องดาดซะหน่อยเรียกมาสั่งหน่อยแนะนำตักเตือนหน่อยพวกนี้เป็นวิหิงสาวิตกเนี่ยนะนั้ น, ะ น, นสลับกันไปสลับกันมาถ้าเจริญแบบนั้นบ่อยๆก็ดูท่าจะหวังนิพพานยาก ทำที่เป็นค่าศึกต่อเนคขมมะอันเป็นไปด้วยอำนาจการยินดีในการชื่อว่ากามวิตกกามวิตกเนี่ยนะคือศัตรูของเนคขมมะ น, นะคือศัตรูของเนคขมมะสังกัปปะหรือศัตรูต่อเนคขมมะวิตกะนะก็ตอนนี้สรุปว่าเรากำลังพูดมิจฉามร ก, กับสัมมามรคคือหัวข้อว่าสัมมาสังกัปปะกับมิจฉาสังกัปปะนะ ส่วนธรรมที่เป็นค่าศึกต่อเมตตาอันเป็นไปด้วยอำนาจการประทุษร้ายสัตว์ทั้งหลายคิดว่าขอให้สัตว์เหล่านี้จงเดือดร้อนจงชีพหายจงอย่าได้มีชื่อว่าพยาบาทวิตตกเมตตาไม่คิดยังไงขอให้ทุกคนเนี่ยจงมีความสุขทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญความพี่น่าไรๆอย่าได้มีเลย นะขอให้ประสบความสุขความอยู่ดีมีสุขอย่าได้มีเวรจะได้เดือดร้อนอ่าได้มีความทุกข์ความยากความลำบากประสบแต่ความเจริญกันนะอันนี้เป็นเมตตาใช่ตรงกันข้ามนี้ขอให้ชิพหายขอให้ขอให้ขอให้ตนีเป็นพยาบาทวิตกเนี่ยนะสิ่งที่เป็นข่าศึกต่อกรุณานี่แหละเป็นวิหิงสาวิตกก็ วิหิงสาวิตกก็คือประสงค์จะเบียดเบืยนประหารเนี่ยนะต้งจับมาเคี่ยนจับมาตีต้องปาต้องจะต้องประทุสรายเนี่ยความคิดประทุสร้ายเคี่ยนตีเป็นต้นอันนั้นเป็นวิหิงสาวิตกซึ่งตรงกันข้ามกับกรุณาการุณานี่น่าเห็นใจนะเขาก็เจ็บเขาก็ป่วยเขาก็ไม่สบายเขาอยู่ในวะตะัตฏะเขาก็เดือดร้อนดูสิเขาเนี่ยนั่งรอความแก่เขานั่งรอความตายสุขภาพแต่ละอย่างของเขาพร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะป่วย ความสบายมีความเดือดร้อนเป็นที่สุดถ้าเขามีความสุขทางกายอีกไม่นานเขาก็ป่วยแล้วเนี่ย น, นะเขาดีใจเดี๋ยวเขาก็เสียใจเขาเนี่ยน้าเห็นใจนะเขาที่อยู่ในวัดตาทั้งหลายการุณามันบอกเออดี ด, ด, ดีเอาเพื่อนหนักขึ้นเนี่ยนะแกเร็วเร็วตายเร็วเตา ย, ตา ย, ตายแล้วขอให้ตกนรกมาคิดไปเรื่อยพวกนี้เป็นมีหิงสาที่ขาดการุณาเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้เธอไปในที่นั้นล่ะ ก็รู้อยู่แล้วว่าพระเมคียาเนี่ยไปแล้วจะต้องไปเป็นอกุศลไปแล้วก็ไปเจริญแต่มิจฉามรึกเนี่ยมิจฉามรึกก็เพราะว่าไม่ใช่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อพระนิพพานใช่ไหมสัมมาสังกปะถ้าเจริญให้มากแล้วทําให้มากแล้วยังลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดมิจฉาสังกปะเจริญแล้วทําให้มากแล้วมีนรกเดรฉานเปรตอสุรกายเป็นที่สุดถ้ายิ่งทําให้มากก็นั่นแหละเป็นเดรฉานเป็นต้น พระองค์ก็รู้รู้ว่าเข้าไปเนี่ยต้องเป็นอกุศลแบบนี้ทำไมพระองค์จึงอนุญาตละ่ะก็เพราะพระองค์เนี่ยทรงอนุญาตด้วยคิดว่าเมขิยะนี้แม้เราไม่อนุญาตก็จะละเราไปเสียให้ได้ห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่ทั้งเธอก็จะมีความคิดเป็นอย่างอื่นไปว่าชะรอยพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่อนุญาตให้เราไปเพราะประสงค์จะให้มีผู้ปรนิบัติข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนาน สงสัยไม่มีอุปถาบมัง่งเดี๋ยวเราไม่อยู่เดี๋ยวก็ขาดคนอุปถาบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแม่อนุญาตเนี่ยนะไม่อนุญาตก็ดื้อไปดื้อไปก็เป็นอากุศลก็ไปเป็นอกุศลเข้าก็เลยอายพระพุทธเจ้าจะไม่กล้ากลับเข้ามาอีกสิเห็นไหมก็เลยพระ อ, องค์ก็เลยอนุญาตให้ไปเนี่ยนะทีนี้พระ อ, องค์ก็รู้นะพระ อ, องค์รู้และกลับมาด้วยอกุศลสรุปว่าถ้าไปเป็นการออกรบก็แพ้มายับเยินหมดเลยเห็นไหมเสียหายมากเพราะไม่เชื่อพระราชาอย่างนี้แหะ ทีนี้พระองค์ก็รู้แล้วว่าอาการไปอยู่ณสถานที่ตรงนั้นอาศัยสังคมสิ่งแวดล้อมแบบนั้นไม่เป็นสัปายะพระองค์ก็จะแสดงธรรมให้เป็นสัปายะว่าในข้อ88หน้า379พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนเมคียะธรรมห้าประการย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้ า, านะแปลว่าเป็นธรรมเครื่องบ่ ม, มิมุตตินะ เจโตวิมุต tn ั้นหมายถึงว่าใจที่หลุดพ้นจากกิเลสคุณธรรมห้าประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อให้ใจในี่หลุดพ้นจากกิเลสเป็นเหตุให้บรรลุอนะหประการเป็นไนะดูก่อนเมคิยะภิกษุในธรรมวิในดีนี้เป็นผู้มีมิตร ด, ดีเป็นผู้มีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นธรรมะประการที่หนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุต ท, ที่ยังไม่แก่กล้า นนะก็คือมองคลใช่ไหมหลีกเรื่องคนพาลคบบัณฑิตมันคบบัณฑิตคือมีกาลยานมิตรอันนี้เป็นเหตุให้บรรลุนะผู้ที่บรรลุโดยที่ไม่มีกาลยานมิตรคือพระประเจกกับพระพุทธเจ้าที่เหลือต้องอาศัยกาลยานมิตรเพราะฉะนั้นเหตุที่หนึ่งที่จะทําให้บรรลุคือมิตร ด, ดีสหายดีเพื่อนดีคือมีกาลยานมิตรนั่นเองข้อที่2 อ, อีกประการหนึ่งภิกษุ เป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษมีประมาณเล็กน้อยสมาธานศึกษาอยู่ในศิกษาบททั้งหลายนี้เป็นธรรมะประการที่สองย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุต ท, ที่ยังไม่แก่กล้าเหตุที่ทำให้ได้บรรลุ ข, ข้อที่สองก็คือเศษ คุณธรรมคือสีเนี่ยเป็นเหตุให้ได้บรรลุเป็นข้อที่สองส่วนข้อที่สอีกประการหนึ่งที่สุเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งกระทาเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นไปเพื่อเป็นที่สบายในการเปิดจิตเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพาน คือถาว่าด้วยมักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีปรารบความเพียนศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานัทสนะนี้เป็นธรรมะประการที่สาเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้ากาถาวัตถุสิบนีจ้จะอธิบายทั้งหมดะนะแต่ว่าค่อยๆไปก่อนอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ปรารบความเพียนคือคนขยันนะเพียนในที่นี้คือเพื่อละอกุโลธรรม เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบันมั่นคงไม่ทอธทุระในกุศลธรรมนี้เป็นธรรมะประการที่สย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุติยังไม่แก่กล้าถ้าอยากบรรลุก็ต้องมีความเพียร น, นะนะอีกข้อหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ ชำรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบนี้เป็นธรรมะประการที่หย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าดูก่อนเมคยะธรรมะ5ประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าทัวในครั้งหนึ่งหประการคื อ, อไรหนึ่งมีมิตรดี 2. อศีลงาม3ได้กระาวัตถุสิ 4. ่ปรารบความเพียร ถ้ามีปัญญาธรรมะห้าประการนี้เครื่องบ่มเจโตวิมุตตถามว่าในห้าข้อนี้อะไรสำคัญที่สุด 1.23.45 สาห้านะข้อ1กัลยาณมิตรข้อ2มีศีลข้อ3อได้กระทาวัตถุคือได้ฟังธรรมะนะข้อ4มีความเพียรข้อ5้ามีปัญญา5อย่างนี่อะไรสำคัญที่สุดสพระองค์บอกว่าข้อ1สําสำคัญที่สุดดูก่อนเมขิยะ ภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังคุณธรรมข้อนี้ได้เลย น, นะคุณธรรมสี่ข้อหลังจะได้ทั้งหมด น, นะถ้ามีเพื่อนดีอย่างเดียวนะคืออะไรคือตนเองเนี่ยจะเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในพระปาฏิโมกขึ้พร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภายในโทษมากว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาในศิกษาบททั้งหลายอันถ้าศีลดีอย่างเดียวนี้ได้เออขออภยัยถ้ามีเพื่อนดียังไงศีนต้องดีเพื่อนเขาไม่ยอมให้เราเลวอยู่คนเดียวหรอกเนี่ยนะเขาไม่ยอมจริงๆถ้าแกไม่เปลี่ยนไปเป็นคนดีเขาก็ขับออกแค่ น, นั้นแหละเขาเรียกว่าดีกับชั่วเขาจะไม่มีการอยู่รวมปะปนกันถ้าดูแล้วช่วยให้ดีขึ้นไม่ได้อันนะถ้าคุณไม่ไปเดี๋ยวผมไปเอง ก็มีอยู่สองอย่างนี่แหละมันสรุปว่าถ้าได้เพื่อนดีนะเขาจะทำให้เรามีศีลต่อไปถ้ามีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีหวังพึงหวังคุณข้อนี้ได้ว่าตนเองนี่จะได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากไม่ลาบากซึ่งกระทาเครื่องขัดเครื่องขัดเกลากเลสเป็นไปเพื่อเป็นที่สบายในการเปิดจิตเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับเพื่อความเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานคือคาถาว่าด้วยมากน้อยสันโดษไม่วิเวกไม่คลุกคลีปรารบความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนะนะพันธะได้เพื่อนดีเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเขาจะสอนเราเองแหละว่ามากน้อยเป็นยังไงสันโดษเป็นยังไงไม่คลุกคลีปรารบความเพียรแต่ละอย่างเป็นอย่างไรเดี๋ยวเพื่อนเขาสอนหมดคําว่าเพื่อนในที่นี้นี่ไม่ได้เป็นว่าโอ้ลูปหัวกันเล่นได้นะ เพื่อนหมายถึงอาจารย์เนี่ยนะหมายถึงอุปเชนเนี่ยพระเมริยะก็มีพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนอนะคำว่าเพื่อนในที่นี้แปลว่าคนที่เราเคารพเราบูชานั่นแหละนี่ข้อต่อไปบอกว่าภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังคุณข้อนี้ได้คือตนเองนั้นจะเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรม เป็นผู้มีกําลังมีความบากบัน่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมนะถ้าเพื่อนถ้ามีเพื่อนแล้วก็จะมีความเพียรนะนะคือเพื่อนที่ที่ฉลาดที่มีปัญญาอย่างแท้จริงเนี่ยนะเห็นเราเสื่อมนี่เขารู้อยู่แล้วเนี่ยนะเห็นปั๊บเขาก็รู้แล้วว่ากําลังเสื่อมอยู่คําพูดที่เราพูดมาหนึ่งคำเนี่ยกาลยานนมิตนะเขารู้เลยว่าเรากําลังเสื่อมหรือกําลังจเจริ่ม แนวโน้มว่าเสื่อมหรือแนวโน้มว่าจะเจริญขึ้นเขาจะแก้ไขยังไงเขาจะแนะนำให้เราปราบความเพียรจนได้พิสูุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังคุณข้อนี้ได้คือตอนเองเนี่ยจะเป็นผู้มีปัญญา น, นะประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับอันเป็นอริยชั้นแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบอ น, นะถ้ามีเพื่อนดีนะศรลก็ได้ ฟังธรรมคือได้ฟังคาถาวัตถุ ก, ก็ได้มีความเพียรและมีปัญญาขอให้ได้มีเพื่อนดีมาดูคำอธิบายในกุศลธรรมเหล่านี้โดยลำดับว่าตั้งแต่คำว่าเพื่อนดีเนี่ยเป็นอย่างไรในอธิกาหน้าสามร้เเป็นต้นเนี่ยนะอธิบายพุทธพจน์ใน ข้อ88เป็นต้นก็บอกว่าเจโตวิมุตติยาเนี่ยนะเจโตวิมุตติยานั้นหมายถึงความหลุดพ้นใจที่หลุดพ้นจากกิเลสเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยใจหลุดพ้นจากกิเลสด้วยตาทางค้าววิมุติและวิขำพนาวิมุติภายหลังย่อมหลุดพ้นด้วยสมุทเฉทวิมุตและปฏิปัสสัตทิวิมุติวิมุตเนี่ยปกติมีอยู่5ประการใช่หมหนึ่งตาทางค้ววิมุตสองวิขำพนาวิมุตสี่ สมุทเฉทวิมุตห้าปฏิปัสสทิวิมุตสี่ปฏิปัสสทิวิมุตห้านิสรณวิมุตตัทังขาวิมุตเป็นชื่อของวิปัสนาวิคัมภนะวิมุตเป็นชื่อของสมถะสมุทเฉทวิมุตเป็นชื่อของอริยมรติปฏิปัสสทิวิมุตเป็นชื่อของอริยผลใจที่หลุดพ้นเนี่ยต้องหลุดพ้นด้วยสมถะวิปัสนามรรคและ ผลนะนะใจหลุดพ้นจากกิเลสด้วยคุณธรรมเหล่านี้ถ้าไม่มีสมถะวิปัสนาไม่มีมรรคผลเกิดขึ้นใจยังไงก็ไม่หลุดพ้นนะนะก็ใจไม่หลุดพ้นนั่นเองทีนี้ถามว่าคุณธรรมหรือธรรมะที่บ่มบ่มวิมุติทําให้อริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยคุณธรรมนนั้นคืออะไรเขาบอกว่าเมื่อเธอบ่ม บ่มก็คือปลุกอัธยาศัยให้ตื่น น, นะคำว่าบ่มไม่ใช่บ่มมะม่วงนะเอาไปเก็บไว้เดี๋ยวมันก็สุกเองไงไหนนะเรียกว่าบ่มใช่ไหมแต่นี่หมายถึงว่าบ่มให้บรรลุนี่หมายว่าปลุกนั่นเองปลุกใจนะปลุกใจให้ให้ตื่นทีนี้คุณธรรมที่จะทำปลุกใจให้ตื่นให้ตื่น น, นะสามารถบรรลุมรรคผลนั้นนะ่ะคืออะไรเขาบอกว่าเมื่อวิปัสสนาถือเอาห้องมรรค ถึงความแก่กล้าเจโตวิมุติชื่อว่าเป็นอันแก่กล้าหมายว่าขณะอริยมรคนั่นแหละชื่อว่าเจโตวิมุติหลุดพ้นจากกิเลสถ้าหากว่าวิปัสสนาไม่ถือเอาห้องมรคก็เชื่อว่ายังไม่แก่กล้าเจโตใจที่ยังไม่แก่กล้ายังต้องเจริญอยู่ก็เนื่องจากว่ายังไม่บรรลุถ้ายังไม่บรรลุยังต้องบ่มต้องปลุก น, นะปลุกให้เตือนด้วยอํานาจสมถาวิปัสสนาต้องเจริญจนสามารถอริยมรคเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดละ่ะ อ่าไม่เกิดนี่แหละจะต้องหาคุณธรรมมาบ่มเจโตวิมุตต์บ่มสมถะวิปั ส, สนาให้อริยมรรคเกิดขึ้นถ้าเป็นที่อื่นๆเนี่ยเพิ่งทราบ ว, ว่าธรรมะสิบห้าอย่างเนี่ยนะเครื่องบ่มเจโตวิมุตต์นะบางแห่งก็บอกว่าธรรมะสิบห้าข้อเป็นเครื่องบ่มสัตทินรียเป็นต้นให้หมดจดขณะอริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยนะขณะที่บรรลุธรรมเนี่ยคืออะไรคือ ศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาคุณธรรมห้าประการเนี่ยทำกิจพร้อมกันเต็มที่สัตทินรีย์ทํากิจในโสตาปฏยังฆ่าธรรสี่วิรยิยินสี์ทํากิจในสัมมาประธานสี่สตินรี่ทากิจในสติประธานสสมาสมาทินรี่ทำกิจในฌานสี่ปัญญินทรี่ทํากิจในอริยมรรสสี่เออขอไปทํากิจในอริยสัจสี่ถ้าอินทรีย์ห้าเราเนี่ยประชุมกันเมื่อไหร่ตรัสรู้ต้องประชุมกันนะ เรีว่าต้องเอาองคมตรีทั้ง5ท่านเนี่ยมาประชุมกันเนี่ยนะจึงจะทำกิจสําเร็จถ้าท่านเหล่านี้ไม่มาประชุมกันยากทีนี้ถามว่าแล้วแต่ละคนเนี่ยทั้ง 5, 5้คนเนี่ยจะจัเจริญเขาได้อย่างไรจะบ่มเขาได้อย่างไรจะพ่อพูนคุณธรรมคือศรัท ธ, ธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาได้อย่างไรก็บอกว่าข้อเสนอแนะให้เจริญศรัท ธ, ธาสข้อนะครัเรียกว่าคุณธรรมที่บ่มให้เกิดศรัท ธ, ธาขึ้นข้อแรกเลยถ้าจักเจริญสัตทินรีนะข้อหึ ห่างคนขาดศรัทธาอันนี้ข้อห้ามก่อนข้อสองเสพคบเข้าไปนั่งใกล้บุคคลผู้มีศรัทธาสามพิจารณาพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสหมายค่าว่าศรัทธาสูตรได้เอามาคิดบ่อยๆเอามาใคร่ครวนมาละเลืกบ่อยๆศรัทธาก็จะเกิดขึ้นนะรสรุปว่าจริงๆก็ดูตามมงคลอ่ะนะมงคลก็มีอะไรนะไม่คบคนปานการครบบัณฑิตเป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าให้ศรัทธามีกาลัง ให้ศรัทธาแก่กล้าห่างคนไม่มีศรัทธาเข้าไว้ใครที่ไม่มีศรัทธาห่างๆหมายคืาว่าถึงจะเดินใกล้ก็อย่าคุยด้วยถึงคุยด้วยก็อย่าไปคุยเรื่องเรื่องที่ก่อให้เกิดการเสื่อมศรัทธาอันณารีกเลี่ยงการคุยที่สุดเป็นต้นมันการเลี่ยงคนไม่มีศรัทธาคบผู้มีศรัทธาแล้วระลึกถึงพระสูตรที่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเช่นสัมปัสสธนิยสูตร เป็นสูตรที่พระสารีบุตรประกาศความเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะเอาพระสูตรเหล่านั้นมาอ่านเอาเอาพระสูตรที่พระเทราพระเทรีเทวดาเป็นต้ น, นอ่ะเขาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเขาเลื่อมใสกันอย่างไรเนี่ยนะก็เอามาพี่เอาพระสูตรเหล่านั้นมาอ่านมาไคร์ครวนมาทรงจํามาตรึกบ่อยๆบยๆสัตทินเซ่ก็มีกําลังก็แรกนะเว้นคนไม่มีศรัทธาสองคบคนมีศรัทธาสามพิจารณาพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งความ เลื่อมสก็สังเกตง่ายๆว่าเมื่อไหรที่รู้สึกไม่อยากเจริญกุศลธรรมแล้วนะก็ไปเอาพระสูตรที่ตัวเองเลื่อมสามาอ่านเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยเของมาอยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยนะเป็นไปได้ให้อ่านพระสูตรนี่อ่านตะลุยไปเลยเอ่านะรู้ไม่รู้ก็อ่านไปเถอะมันจะต้องมีถูกใจสักสูตร2 ส, สูตรจนได้นั่นแหละไม่สบายใจเมื่อไรก็ไปเอาสูตรนั้นมาอ่านนะนะคือเขาให้รู้ไปก่อนนะนะเราต้องคิดง่ายๆว่าเราทั้งหลายเนี่ยคนไข้คนป่วย พระสูตรของพระพุทธเจ้าก็เหมือนสลักยานะสลักยาที่บอกยาอะไรเป็นเสร็จพรันธ์ถ้าเราเกิดอาการป่วยเราก็ไปอ่านฉลักยาว่าเออโรคแบบนี้ต้องกินอะไรเป็นต้นพันธก่อนที่จะป่วยเนี่ยต้องอ่านไว้ก่อนเนี่ยนะป่วยแล้วแย่แล้วไม่รู้จะไปอ่านอะไรแล้วคนไม่มีศรัทธามองเห็นพระไตรปิฎกยิ่งไปกันใหญ่ใครจะไปเรียนจบตําราก็เล่มโตขนาดนี้ใครจะไปมีเวลาจเอาเอาเป็นว่าไม่ต้องเจริญเว่า ง, งั้นเถอะนะ นี่มาดูเหตุให้เกิดวิริยินทรีบ้างนะวิริยินรีข้อแรกหลีกเลี่ยงคนเกียรตคร้านห่างได้ห่างเป็นดีเลยนะคนที่เกียดเนี่ยนะ <c oughs> สองเสพคบเข้าไปนั่งใกล้ผู้เริ่มความเพียรสามพิจารณาสัมมปทานอันนี้เหตุให้เกิดความเพียร น, นะกขาบอกว่าห่างคนเกียดคร้านคบคนที่มีความเพียรนู้ขยันปฏิบัติธรรมเป็นต้นเนี่ยคนที่เขาเจริญงอกงามเขา ไม่เลิกไม่ราเป็นต้นนะครบหาคนประเภทนั้นนะถ้าคนประเภทว่าเรียนได้ชั่วโมงเดียวแล้วก็เลิกอีกสปีเนี่ยนะก็เอาใหม่ถะยังให้ห่า ง, างไว้ดีนะก็ไปครอบคนที่เขาศึกษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะแล้วก็หาพระสูตรที่เป็นเหตุให้เกิดความเพียรอ่าเหตุให้เกิดสั ม, มปทานหมายคําว่าพิจารณาโน่นอ่ะโทษภัยของอบายเป็นต้นอ่ะที่จะทําให้เราเกิดความเพียร ก็มีบางสูตรเนี่ยบอกว่าถ้าเธอไปเกิดเป็นเดรัจฉานเธอจะปฏิบัติธรรมได้ไหมถ้าเธอไปเกิดเป็นเปรตและเธอจะปฏิบัติธรรมว่าอย่างไรถ้าเธอไปเป็นพวกชาวอะไรที่เขาไม่มีศรัทธาเลยเนี่ยเธอจะได้ปฏิบัติธรรมไหมเป็นต้นพันธก็พวกนั้นอาจจะต้องเอาสิ่งเหล่านั้นพระสูตรแนวนั้นนมาใคร้ครววให้มากๆก็จะทําให้เราเกิดความเพียรนีนะ นี่วันนี้เราสาวที่สุดแล้วนะเราหนุ่มที่สุดแล้วนะวันต่อไปเราจะแก่กว่าวันนี้เพราะวันนี้นควรจะเพียรถ้ารอให้แก่กวันนี้เดือดร้อนแน่เนี่ยนะลืมตาก็จะลืมไม่ขึ้นนะน้ำหนักเปลือกตามันก็ไม่ได้ว่ามันเพิ่มอะไรขึ้นหรอกแต่ว่ามันลืมไม่ขึ้นทำไมมันหนักจังเลยก็ไม่รู้อ่านได้หน่อยหนึ่งก็ยอนเยอะเกินเนี่ยนนี่ต่อไปเหตุให้เกิดสติมีอะไรบ้างเหตุให้เกิดสติเว้นบุคคลผู้หลงลืมสตินะพวกเลอะเเลืนเเลอะเลอะเถเนี่ยนะเละเลี่ยงหน่อย พูดอะไรเสร็จแล้วก็ทิ้งทิ้ ง, งคว่างๆอ่ะ น, นะนึกไม่ออกสักอย่างเลยแล้วลึกถึงสิ่งที่ทําก็ไม่ได้จําถึงสิ่งที่พูดก่อนเออแล้วลึกถึงสิ่งที่ทําก็ไม่ได้จําไม่ได้แม้กระทั่งในคําที่พูดพูดอะไรไปก็ลืมสนิทไปหมดเลยเนี่ยนะพวกนี้ก็ห่างหน่อยจะดีไม่งั้นก็ติดนิสัยมาคือคนพาลเนี่ยนะแปลกว่าเราคบแป๊บเดียวเราจะได้นิสัยเข้ามาทันทีเลยเนะพราะไม่ปกติเราก็ไม่ได้เป็นบัณฑิตมาจากไหนใช่ไหมไปเจอคนพาลเมื่อไหร่เราก็ ติดเชื้อเลยแล้วก็เสพคบนั่งใกล้กับบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นเนี่ยนะครใคบผ้านนอนได้ยิ่งดีนะถ้าคนมีสติเนี่ยพิจารณาสติประฐานเช่นเอาสติประฐานสูตรมาใครครวนให้มากๆสตินซีย่อมหมดจดด้วยอาการสามเหล่านี้นี้สมาธินซีบอกว่าเว้นบุคคลผู้ไม่ผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิ ถ้าเราอยากประสงค์ความสงบมาให้ลใหลบ ใ, ให้เลี่ยงให้หลบให้เลี่ยงให้เลีกให้หนีคนฟุง้งนะคนฟุ้งเนี่ยพูดอยู่ไม่กี่คำนะคนอื่นฟุ้งตามได้ทันทีเลยเอ่ะเนี่ยนะคิดดูนะสมมติว่าเรากําลังนั่งสบายใจอยู่นะได้ยินคนไม่สบายใจพูดไม่กี่คำํำนะเราเนี่ยไม่สบายใจตามเท่าเขาเลยบางทีมั้นคนฟุ้งซ่านนี่เหมือนกันมันถ้าเร า, เาประสงค์ที่จะให้ใจเนี่ยสงบถ้าได้ยินคนฟุ้งซ่านพูดไม่กี่คําอ่ะนะเราฟุ้งตามไปเลย มันก่อนโยมเขามาเล่าให้ฟังแล้วก็รู้แล้วฟุ้งซ่านมาละไปฟังคนฟุ้งซ่านพูดก็เลยมาฟุงา้งซ่านฟุ้งพูดไปตั้งนานบอกโยมตอนนี้โยมเนี่ยไม่ต่างอะไรจากพูดถึงคนโน่นอ่ะคนไข้โรคจิตนะเนี่ยโยมพูดอะไรมันก็คือพูดถึงคนไข้โรคจิตพูดยังไงเขาก็ไม่ได้สงบขึ้นหรอกเขาก็ไม่ดีขึ้นเนี่ยแต่เราเนี่ยติดเชื้อมาแล้วรู้หรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้เดยวจะมาเอาเชื้อมาระบาดให้พระอีกลำบานะเชื้อหความฟุง้งซ่าน นะมันก็หลีกเรี่ยงคนที่จิตไม่เป็นสมาธินะคนฟุ้งซ่านเนี่ยหลบได้หลบไปเถอะเขาบอกว่าถ้าไม่มีในในพระสูตรนี่พูดหลายสูตรเลยว่าถ้าหาเพื่อนเท่ากันไม่ได้อ่เพื่อนที่ยิ่งกว่าหรือเท่ากันไม่ได้ก็ให้เที่ยวไปแต่คนเดียวเถอะไม่ต้องมีเพื่อนก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะนะเพราะคำว่าสหายไม่มีในหมู่คนพานนะสมมติถ้าเราไปคบคนฟุ้งซ่านอ่คนไม่มีศรัทธาเราคิดหรือว่าเราจะได้ศรัทธาขึ้น ถ้าเราขี้เกียจอยู่แล้วเนี่ยไปคบแต่คนขี้เกียจเนี่ยเราจะเราจะขยันขึ้นไหมไม่ถ้าเราเป็นคนที่เลอะเลือนหลงลืมแล้วไปคบประเภทเดียวกันเลยนะ <c oughs> ก็เลอะเลือนหลงลืมคือนะเราตาบอดอยู่แล้วก็ไปหาเพื่อนตาบอดมาอยู่ร่วมกันเยอะๆเพื่อจะตาดีขึ้นเป็นไปได้ไหมไม่ได้ะนะคนหูหนวกอยู่แล้วเอาคนหูหนวกมาอยู่ด้วยกันมากๆเลยนะก็แย่ลงไงก็เราก็แก่อยู่แล้วไปหาคนชรามาอยู่ด้วยกันมากๆเผื่อจะสาวขึ้นอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ฐานะเด็ดขาด ชั้ใดก็ดีพวกที่จะเจริญกุศลธรรมเหล่านี้จะต้องหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงคนผานคนไม่มีศรัทธาก็เรียกว่าคนผานคนไม่มีความเพียรก็เรียกว่าคนผานคนที่หลงลืมสติก็เรียกว่าคนผานคนที่เกียดคร้านก็เรียกว่าคนผานคนที่ใจไม่ตั้งมั่นก็เรียกว่าคนผานคนที่ไม่มีปัญญาก็เรียกว่าคนผานเพราะผานแปลว่าโง่อยู่แล้วละ่ะมันไม่มีปัญญานี่มันก็ตรงตัว ถ้าหากว่าเราหาคนที่เท่ากับเราหรือเจริญกว่าเราไม่ได้ก็ให้เพียงให้เที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวดุดหน่อแรกเพราะคุณเครื่องของความเป็นสหายไม่ได้มีจากคนพานในคาถาธรรมบทบอกว่าคนพานเนี่ยช่วยให้เรามีศีลไม่ได้ นะช่วยให้เรามีจุลศิลมชิมศีลมหาศีลไม่ได้ช่วยให้เราเจริญสมถภาวิปัสนาไม่ได้ช่วยให้เราอบรมฌานอภิญญามรรคผลบรรลุวิมุตตเป็นต้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้คุณธรรมทั้งหลายไม่ได้มีจากคนพานะนะคนพาณมีแต่อะไรอุปัตถวะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นะนะคนพาณเนี่ยเป็นคนที่เป็นต้นเหตุให้เกิดอุบาทว่า ง, งั้นเถอะอุปัทวะ นนะเกิดภยัยเกิดเรื่องที่น่ากลัวสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเกิดจากคนพานมีคนพานเป็นบ่อกเกิดมันการหลีกเลี่ยงคนที่ไม่มีศรัทธาหลีกเลี่ยงคนเกลียดคร้านหลีกเลี่ยงคนหลงลืมสติหลีกเลี่ยงคนฟุ้งซ่านหลีกเลี่ยงคนมีปัญญาสามอันนี้เป็นเหตุให้ได้บรรลุมรรคผลน ะ, ะตาธนาบรรลุมรรคผลก็หลีกเลี่ยงคนที่ไม่เจริญอินทรีย์แล้วก็พยายาม สมาธิสี่เนี่ยนะให้คบนั่งใกล้คนที่มีใจตั้งมั่นเนี่ยนะคบไปนั่งใกล้คนที่มีใจตั้งมั่นเนี่ยนะนั่งอยู่พักเดียวเดี๋ยวใจเราก็สงบใจเราก็สบายขึ้นต่างจากสังเกตดูนะถ้าใครที่คุยกับคนอื่นมามากๆจะรู้เลยพอคุยกับคนหนึ่งปั๊บเนี่ยนะคุยได้3นาทีเนี่ยเริ่มรู้แล้วสุขภาพจิตเริ่มแย่แล้วเนี่ยนะก็ต้องเงียบๆไว้หน่อยจะดีคุยกับบางคนเนี่ยยิ่งคุยมากใจยิ่งสบายใจยิ่งคุยยิ่งมีความสุขนะยิ่งยิ่งสนทนายิ่งเจริญ ก็แล้วแต่ว่าเราต้องเลือกคนครบให้เป็นเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเราเลือกคนครบไม่เป็นเนี่ยก็เสียหายนะอย่านะยว่าทางธรรมเลยแม้แต่ทางโลกก็เสียหายเนี่ยนะประกอบอาชีพเขาบอกว่าการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะกับการประกอบอาชีพทางโลกเนี่ยต่างกันนิดหน่อยต่างกันตรงไหนต่างกันว่าทางโลกเนี่ยคือการประกอบเพื่อสแสวงหาโภกทรัพย์พ <Dank. S 1> การปฏิบัติธรรมนั้นคือการสแสวงหาอริยทรัพย์ ทางโลกนั้นแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเรือกสวนไร่นาเป็นต้นน่ยนะนั่นแหละคือทางโลกทรัพย์ของทางโลกทรัพย์ของทางธรรมก็คือทรัพย์คือสัทธาหิริโอตปะศินสุตะจากข้าปัญญาเพันทางโลกแสวงหาโภกทรัพย์ทางธรรมก็แสวงหาอริยทรัพย์มันถ้าประสงค์ความเจริญในอริยทรัพย์เราก็ต้องเลือกคบหาคนที่เขาเจริญด้วยอริยทรัพย์เนี่ยนะ มันแม้กระทั่งทางโลกเขาสแสวงหาพวกข้าัพย์เขายังต้องไปสแสวงหากับคนที่มีพวกข้าศัพท์เรียกว่าสมัครงานเป็นต้นก็คือต้องไปสมัครกับบริษัทที่เขามีมีทรัพย์ใช่ไหมไปบริษัทไปสมัครกับบริษัทล่มจมเป็นยังไงะนะก็อดคาแรงเลยนะทีนี้ย้อนมาว่าสมาทิซีเนี่ยหมดจ ด, ดอันหนึ่งคือการพิจารณาฌานมิโมกหาคุณธรรมประเภทฌานมาอ่านมาเรียนให้มากๆ ประเภทวิโมกเนี่ยนะวิโมกก็คือการหลุดพ้นด้วยสมถะเป็นต้นเนี่ยนะส่วนปัญญี น, นียเจริญด้วยอาการสามก็คือเว้นคนมีปัญญาสามคบนั่งใกล้บุคคลผู้มีปัญญาพิจรารณาญาณจริยาอันลึกซึ้งญาณจริยาอันลึกซึ้งก็คือขันอาญตนะา่าสัจจะอินทร์ปฏิจจสมุป บ, บาทเป็นต้นมันปัญญินทรีย์ก็หมดจดด้วยอาการสา ม, มผู้ใดประสงค์จะบรรลุนะัเจริญคุณธรรม 15ประการที่เราวิมุติปริ ป, รปรจินนธรรมเนี่ยนะทำที่เป็นเครื่องบ่มวิมุติสิบหประการจําง่ายๆก็คือเว้น5้าคบหพิจารณาธรรมะ5้าห้สห้เนี่ยนะห้าคูณสเท่ากับสิดังนั้นเมื่อเว้นบุคคลห้าจำพวกเหล่านี้เสพคบเข้าไปนั่งใกล้บุคคลห้าจำพวก พิจารณาพระสูตรหสูตรหกลุ่มเนี่ยนะอินทรีห้าเหล่านี้ย่อมหมดจดด้วยอาการ15เหล่านี้ น, นะผู้ใดที่ปรารถนาจะบรรลุมรรคผลเนี่ยเรียกว่าทิ้งหน้านี้ไม่ได้เลยนะหน้า387ร38้อดสิบเนี่ยมันเป็นข้อปฏิบัติเครื่องวัดว่าเราจะเจริญหรือเราจะเสื่อมกําลังเจริญอยู่หรือกําลังเสื่อมอยู่เนี่ยพวกสูตรเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นมาตรฐานเลยมาตรฐานเป็นอย่างนี้จริงๆว่า สามารถตรวจสอบได้ว่าแนวโน้มเกือบบรรลุหรือว่าอีกนานเนีน่ยนะก็ดูเอากันแล้วกันธรรมะ15ประการแม้อื่นอีกเป็นเครื่องบ่มวิมุตตเครื่องบ่มคุณธรรมให้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะ้าประการคืออะไรเอขอปบประการมีอะไรบ้างก็คืออินทรีย์ามีศรัทธาเป็นต้นะนะแล้วก็สัญญาอันเป็นส่วนแห่งการตรัสรู้อีก5อย่าง สัญญาที่เป็นเครื่องทำให้บรรลุมรรคผลคืออนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตสัญญาปหาณะสัญญาวิราคสัญญาสัญญาห้าอย่างเนี่ยอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตสัญญาก็คืออนุปัสนาสามนั่นแหละอนิจจอนุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนาปหาณะสัญญาวิราคสัญญาก็คือกลุ่มนิพพานอนุปัสนาวิรา กลุ่มนิพพานุปัสสนานั่นแหละวิราคาสัญญาก็คือวิราคานุปัสสนากลุ่มนั้น น, นนะก็เจริญอนุปัสสนาให้ดีเยี่ยมแล้วก็ต่อไปความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรความสํารวมในศีลความเป็นผู้ขัดเกล่าย่างยิ่งความปรารบความเพียนปัญญาอันเป็นไปในส่วนแห่งการตรัสรู้ 1ิบห้าข้อทวนอีกครั้งหนึ่งนะอินซีห้าใช่ไหมหนึ่งถึงห้าคือศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาห้าข้อแล้วนี่ก็สัญญาอีก5คืออนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตาสัญญาปหาณะสัญญาวิราคะสัญญาส่วนคุณธรรมห้าข้อสุดท้ายเนี่ยนะส1บดสิบสองสิบสามสิบี่สิบห้าก็คือตามสูตรเนี่ยตามเมเขยะสูตรหนาึ่งกัลยาณมิตรสองมีศีลสามได้กระวัตถุก็คือ ความเป็นผู้ขัดเกลารหมายถึงเน้นในที่กระทำวัตถุสิบปรารบความเพียนและมีปัญญาคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องบ่มมิมุดหมายค่ะว่าแนวโน้มที่จะทําให้บรรลุมรรคผลนะคุณธรรมที่เป็นเครื่องให้บรรลุมรรคผลผู้ใดที่เรียกว่าตัวเองเป็นนักปฏิบัติมุ่งบรรลุมรรคผลก็เอาเครื่องเครื่องเหล่านี้มาวัดดูนะมาตรวจสอบดูว่าคุณธรรมเหล่านี้มีอยู่ในใจเราไหม ถ้าคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจมีคู่ควรจะบรรลุหรือยังนะถ้าถ้ายังไม่มีก็ทาให้มีถ้ามีขึ้นแล้วตั้งคำถามว่าคู่ควรจะบรรลุได้ไหมพร้อมที่จะบรรลุได้ไหมใกล้บรรลุหรือยังเนี่ยนะก็ามาสอบสอบดูนะธรรมะในพระพุทธศาสนาการปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมีเครื่องตรวจสอบหมดเลย ปัญหาว่ายินดีที่จะตรวจสอบไหมว่ากำลังเจริญหรือกำลังเสื่อมเนี่ยนะขอให้มีศรัทธาที่จะศึกษาเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะว่าพราะองค์บอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นครรมะที่ตรัสไว้ดีแล้วไม่เหมือนกับคำสอนเดียรถ์ถีเขาบอกว่าอย่างนี้นะคำสอนเดียร์ถีเป็นอย่างไรเปรียบเหมือนว่าผ้าที่เช่นอยากจะทาผ้าทาอะไรสักอย่างหนึ่ง เส้นเอาผ้ามาห่มองค์พระเจดีย์ใช่ไปได้ผ้ามาคืบเดียวอย่างเงี้ยนะธรรมะจะต้องหม่มห่มองค์พระเจดีย์พอได้พอไหมไม่พอแต่ถ้าเป็นผ้าที่ยาวเกินไปอีกก็ห่มเจดีย์ไม่ได้มันเกินไปยาวเกินไปใหญ่เกินไปก็ไม่เหมาะแต่บอกว่าถ้าผ้าพอดีละ่ะฉันใดก็ดีธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สั้นเกินไปไม่ใช่ยาวเกินไปแต่เป็นสิ่งที่พอดีนะนะพอดีเพราะอะไรเพราะ ผู้ที่แสดงคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ดีแล้วตรัสรู้ชอบแล้วนั้นธรรมะของพระองค์นี่จึงเป็นธรรมะที่แสดงไว้ดีแล้วตรัสไว้ดีแล้วเพียงแต่ว่าขอให้มีศรัทธาที่จะศึกษามีขันติที่จะศึกษานะมีความอดทนที่จะศึกษาอดทนที่ศึกษาเนี่ยนะกับทนอดคนละอย่างกันทนอดนนเป็นยังไงมีแต่ก็ไม่ยอมไม่ยอมอ่นะครับ พระไตรปิฎกก็มีอยู่เวลาก็มีอยู่ไม่ยอมอ่านเนี่ยเขาเรียกว่าทนอดแต่ถ้าอดทนก็คือศึกษาด้วยด้วยความไม่โกรธเนี่ยนะศึกษาด้วยศรัทธาบางพระสูตรที่อ่านเนี่ยนะอ่านทําใจยังไงอ่านบอกโอ้นี่สมบัติของพระพุทธเจ้าเยอะจริงเนี่ยโอ้นี่ก็สูตรนี้ก็ดีนะโอ้นี่ก็ดีนี่ก็ดีนี่ก็ดีแล้วก็ดีไว้ก่อนอ่ะนะไม่เข้าใจก็บอกโอ้แสดงว่าลึกซึ้งมากขนาดเรายังไม่เข้าใจนะแสดงว่าสูตรนี้ต้องดีเยี่ยมแน่นอน อ, อดใจรอว่าสเดียวเขาเข้าใจได้สักวันหนึ่งแน่เ็นไะก็สิบปีก็ยังไม่สายใช่ไหมก็ตอนนี้ก็ผ่านไปสิบปีเนะี่ยเอาใหม่เนะี่ยสิบปีใหม่เนี่ยนะนะตั้งใหม่าจะารีบไปไหนล่ะนะนะเาานี่ยนะพราะมาเนื่องในใจถ้าเรียนจบเร็วศึกษาจบนะถ้าเอาเวลาที่เหลือไปทำอะไรเนี่ยนะนะจะต้องไปนั่งคุยกับคนพานเหรออ๊้น่าเบื่อจะตายเนี่ยนะนะ คนผ่านคุยเรื่องฆ่าเรื่องเรื่องไม่เรื่องฆ่าสัตว์เรื่องลักทรัพย์เรื่องประพิติผิดในการเรื่องมูสาวาเรื่องไก่ชนชนมวยเฮยเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นเลยมันเสียเวลาขนาดไหนไปคิดดูนะเราศึกษาแล้วเขามารอบอ่ศึกษาใหม่ศึกษาบอกว่าคุยกับคนผ่านเปลืองชาวนะมากเรื่องวิธีจิตเจริญแต่มิจฉาวาจาเฮ้ยสงสารนะกลัวบาปประดับมันให้ผลไปทําฟันทียังนึกถึงอันนี้นะมิจฉาวาจามันให้ผลเนี่ยต้องมาทําฟันแบบนี้แล้วเนี่ยนะ ก็หลีกเลี่ยงควบคนพานได้ดีที่สุดและเป็นมงคลมากทีนี้อธิบายธรรมะทั้ง5ข้อตามลำดับนะที่เป็นธรรมะเครื่องบ่มวิมุตห้ข้อคืออะไรทวัวในครั้งหนึ่งนะหนึ่งมีกัลยาณมิตร2มีศีล 3. ฟังคถาวัตถุ 10. 4. มีความเพียร 5. มีปัญญา บรรดาธรรมะเหล่านั้นพระาศาสดาผู้ฉลาดในการฝึกเวนยบุคคลเมื่อจะแสดงธรรมอันเป็นเครื่องบ่มบ่มุติมีกัลยาณมิตรเป็นต้นในที่นี้ตามอัธยาศัยของพระเมขียะผู้ควรผู้ควรแนะนําหมายความว่าพระเมขียะนี้เป็นเวไนเป็นพุทธเวไนที่พระพุทธเจ้าฝึกได้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปุริสธรรมสารถิเนี่ยนะเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็น พุทธศาสนาก็เป็นศาสนาของการฝึกเนี่ยนะเป็นการฝึกอันนั้นเป็นการแนะ น, นํนำแนะนํานั่นแหละเขาเรียกว่าฝึกละก็คือมีวินยัยฝึกด้วยปห า, ว น, าวนวินัยสังวรวินัยเป็นต้นข้อแรกก่อนนะบทว่ากาลยานมิตรโตชื่อว่ากาลยานมิตรกาลยานมิตเนี่ยนะแปลว่าอะไรแปลว่ามีมิตรงามมีมิตรที่เจริญมีมิตรที่ดีอนนะได้คนงามคําว่างามนี่ไม่ใช่สีงามเนี่ยนะ หมายค่ะว่ามิตรงามก็คือคุณธรรมงามงามด้วยคุณธรรมเจริญด้วยคุณธรรมแล้วก็มีคุณงามความดีอยู่ในตัวเขาเป็นยังไงอ่ะก็คือบุคคลผู้มีมิตรสมบูรณ์ด้วยศีลและคุณเป็นต้นคือคนคุณที่ควรแก่กาลยานมิตรคนนั้นมีศีลมีสุตะมีจาค่ามีปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะหรือเป็นมิตรที่มีอุปการะมากโดยอาการทั้งปวง คนที่เป็นกัลยาณมิตรของเราเนี่ยคนที่หนึ่งบำบัดทุกข์ให้แก่เรานะนบำบัดทุกข์สร้างสรรค์หิตะประโยชน์คือหิตะแปลว่าเกื้อกูลคนที่กำจัดความทุกข์ให้เราได้คนที่เพิ่มพูนประโยชน์เกื้อกูลให้แกเราได้คนที่ทำกิจได้อย่างนี้ชื่อว่ากัลยาณมิตรกำจัดโทษของเราออกไปนำแต่สิ่งที่ดีให้แกเราเนี่ยนะ หมายความว่าคนที่มีอุปการะมากนั่นแหละคุณธรรมแบบนั้นเรียกว่ากัลยาณมิตรคนที่คาว่าโอ้ยคนนี้เป็นกัลยาณมิตรเราทําไมเขาจึงเป็นกัลยาณมิตรเขาเป็นคนที่ตามใจเราที่สุดเขาเลยเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรของเราเอาเอกเอาใจเราทุกอย่างเลยนะเราจะกินก็ก็ให้กินนะนี่เราเลยเรียกว่ากัลยาณมิตรใช่ไหมเราอยากเดื่มเล่าเขาก็ชวนไปโอ้หาร้านหาอะไ ร, หรให้ครบหมดเสร็จไหมเพื่อนดีจริงๆเลยเนี่ยนะหาที่ไหนได้อีกแล้วอันนี้ป่าประมิตรเลยนะ เขาก็ถ้าลักษณะของกาลยานมิตรเนี่ยสิ่งใดที่เป็นความเสียหายเขาจะอาออกไปเขาไม่ตามใจเราหรอกแต่สิ่งใดที่เป็นประโยชน์กื้อกูลเขาจะส่งเสริมโดยส่วนเดียวสิ่งใดที่เป็นทุกข์เป็นโทษเขาจะเขาจะห้ามเขาจะปราบเขาจะเรียกว่าเขาจะคอยบอกคอยเตือนนะนะแต่คําบอกคําเตือนของกาลยานมิตรไม่แน่ว่าจะเป็นคําที่อ่อนหวานเสมอไปเขาบอกว่าคําพูดตักเตือนด้วยความดีเนี่ยเป็นเหมือนยาขมเขาว่างั้น กินในตอนต้นก็ขมน้ยแต่ว่าหายโรคแต่คําพูดของคนประจบสอพลอเนี่ยนะฟังสบายฟังแล้ง่ายดีนิ่มแต่ว่าท้องอืดเสียหายอนะคําพูดของคนที่แนะนำประโยชน์ของเราก็ต้องดูนะโดยมากคนที่แนะนำประโยชน์ให้แกเราเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้พูดดีกับเราคําเนี่ยนะไม่ดีแต่เรื่องที่เขาพูดเป็นเรื่องที่ดี มันเราก็แยกแยะว่าคนที่พูดด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะนิ่มก็ไม่ได้แปลว่าเคยใครที่เคยถูกหลอกเนี่ยนะเข้ามาหลอกเราเนี่ยเข้ามาขู่มาถึงก็ด่าตวาดอย่างเดียวเลยไหมไม่พูดดีมากเยี่ยมครับผมทุกคำด้วยซ้าไปเนี่ยนะแต่ว่าสรุปแล้วถูกหลอกไปนะคนที่เป็นกัลยานามิตรเราต้องแยกแยก้ให้ออกว่าผู้ที่มีความสามารถในตัวเขาเองนะตัวกาลยานามิตรเขามีคุณธรรมอยู่ในตัวของเขา อันนะั้นมีคุณธรรมเข้าคือมีศีลมีสุตะมีจาคะมีปัญญามีคุณธรรมอย่างอื่นอีกอีกในหนึ่งกิจของเขาอะ่ะเขาดีแบบนี้แล้วตัวเขาเองเขาก็เป็นคนดีดีแล้วเขายังช่วยกําจัดอะไรที่เป็นโทษแก่เราออกไปอันนะั้นแต่ขณะเดียวกันเราต้องใจเราก็ต้องพอจะรู้ดีรู้ชั่วอยู่เหมือนกันนะว่าเออเนี่ยเขากําจัดความชั่วให้เรานะนี้เขาเพิ่มคุณงามความดีให้แก่เรา มันใครที่มีเพื่อนลักษณะนี้แหละเรียกว่ามีกาลยาณมิตรเนี่ยนะชื่อว่ากาลยาณสหายก็กาลยานะโดยศัพท์แปลว่าดีสหายดีนะกาลยาณมิตรมิตรก็แปลว่าเพื่อนนะสหายอมิตรสหายก็ดีพวกก็กลุ่มเดียวกันนั่นแหละชื่อว่ากาลยาณสหายเพราะเพราะไปคือดําเนินไปด้วยกาลยานะบุคคลตามที่กล่าวแล้วคือเขาเนี่ยมีคุณธรรมคือศีลเป็นต้น ใช้ชีวิตให้เป็นไปโดยที่ไม่ปราศจากกลยานามิตรเหล่านั้นก็เลยเรียกว่ามีกลยานณสหายสหายก็คือเน้นว่าไปด้วยการมาด้วยการนั่งด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างนี้เพราะฉนั้นคนที่มีกลยานามิตรแต่ไม่ใช่มีกลยานณสหายก็มีหมายคืาว่ารู้จักคนดีแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใกล้คนดีนะแต่มีกลยาณสหายแปลว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาเป็นคนดีจริงๆ แล้วเราก็คบหาสมาคมเกี่ยวข้องไปนั่งใกล้สนทนาทำกิจกรรมร่วมกันกับกับบุคคล น, นั้นเลยเรียกว่าได้กัลยาณสหายไม่ใช่ว่าต่างคนต่างไปต่างคนต่างทาเป็นต้นนะนะคว่ามีพวกดีเพราะเป็นไปโดยภาวะที่โน้มน้อมโอนไปทางใจและทางกายในกัลยาณบุคคลเหล่านั้นเป็นคนที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยนะ จนสามารถเราโอนไปหาเขาได้เลยสิ่งที่เขาพูดเชื่อได้เลยเนี่ยนะเขาต้องหากระหวาต้องพบครบคนดีแบบนั้ น, น่ะนะหมายความว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำมันเป็นมาตรฐานเราโอนไปหาเขาได้เลยว่าเป็นประโยชน์โดยส่วนเดียวแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะเชื่อใจเขาหมดเลยก็ไม่ต้องทบทวนอะไรเลยใช่ไหมกลายเป็นคนไม่รอบคอบไปเลยเชื่อใจเขาอย่างเดียวเนีย่ยนะเชื่อใจมากเดี๋ยวก็เศร้าใจมากนั่นแหละ เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามคิดให้ดีๆใคร่ครวนให้รอบครอบใ ห, ให้เพียงพอด้วยสาบทย่อมยังความเอื้อเฟื้อให้เกิดในการสังสรรค์กับกาลยานามิตรพุทธพจน์ที่บอกว่ากลยานามิตรกาลยานาสหายมีพวกดีเนี่ยนะก็เพื่อให้เราได้เข้าไปหาเข้าไปคบไปนั่งใกล้สนทนาปราศัยเจรจาทรรมกิจกรรมร่วมกับผู้ที่ที่มีคุณธรรมตัวเขาเองเขาก็มีคุณธรรม กำจัดโทษให้เราช่วยส่งเสริมประโยชน์ให้แก่เราอนนะคนแบบนี้น่าคบน่าน่าเข้าไปนั่งใกล้เป็นต้นทีนี้มาดูว่าคุณธรรมของคนที่เป็นกาลยานามิตรนี่เขาเป็นอย่างไรในข้อนั้นมีลักษณะกาลยานามิตรดังต่อไปนี้ลักษณะก็คือเป็นอะไรนะลักษณะหมายคาอว่ายี่ห้อเครื่องหมายอนนะเครื่องลักษณะแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายของผู้ที่เป็นกาลยานามิตร ลักษณะเลยว่าเครื่องหมายเครื่องหมายของกัลยาณมิตรมีดังต่อไปนี้กัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธามีศีลมีสุตะมีวิริยะมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาอันน้จริงๆก็เขามีอินรี่ห้านะก็เพิ่มศีลสุตะจาคะเข้ามาอีกสามข้อก็เป็นแดอย่างคนที่มีคุณธรรม8ปดประการคือมีอินรี่ห้ามีศีลมีสุตะมีจาคะ นี่แหละคุณคุณสมบัติของกัลยาณมิตรอธิบายว่าข้อแรกก่อนนะบุคคลมีศรัทธาสมบัติย่อมเชื่อปัญญาการตรัสรู้ของพระตถาคตเชื่อกรรมและผลของกรรมไม่ละทิ้งการสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลในเหล่าสัตว์อันเป็นเหตุแห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยความเชื่อนั้นคนที่มีศรัทธาคือคนที่เาเอะนะเราคบคนที่เป็นกัลยาณมิตร กัลยาณมิตรในที่นี้หมายถึงผู้ที่มีศรัทธามีความรักมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะนะาบอกว่าถ้าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็เลื่อมใสในพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยคือเขามีความรู้ความเข้าใจในปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เขาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่ใช่เลื่อมใสพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าอู้เนี่ยพระพุทธรูปวัดนี้รูปงามงามเรียกว่าคนมีศรัทธาไหม โอพระพุทธรูปวัดนี้งามมากเลยนะดูแล้วไม่เบื่อดูได้เต็มที่เนี่ยเขามีศรัทธา ม, มากโอโ้ดูสิเขาไปดูเจดีไหวดูรูปทรงเจดีโชมแต่ทรงเจดีอยู่นั่นแหละเรียกเขาคนมีศรัทธาไหมเอ า, ปาเป็นมีศรัทธาไปยังไงมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอะเริ่มสายในเจดีก็ไม่ใช่ในพระพุทธรูปก็ไม่ใช่แล้วเรื่อมสายในอะไรเลื่อมสายในเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเน้นที่พระคุณ รู้คนที่เขารู้จักพระคุณคือพระปัญญาคุณพระกรุณาคุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีพระปัญญาคุณพระกรุณาคุณพระบริสุทธิ์ทีคุณของพระพุทธเจ้าสาประการนี่แหละเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะแสดงธรรมด้วยความบริสุทธิ์ทางปัญญาบริสุทธิ์ทางจิตใจและด้วยกรุณาที่เต็มเปี่ยมเขามีคุณธรรมคือเขาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะคนที่เป็นกาลยานมิตรเนี่ยเขา เขามั่นคงในพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาเขารู้กรรมและรู้ผลแห่งกรรมเขามีกรรมมัศกตาตศรัทธายัางรู้ว่ามูสัต ท, ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเอาทุกอย่างเมื่อพวกเราเป็นไปตามกรรมก็ไม่ต้องกินข้าวถ้ากรรมมันจะให้อดก็ต้องอดไป อ, อย่ยงนี้หรือเปล่าไม่ใช่หมายก็ว่ากรรมสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมเป็นของของตนเนี่ยนะบางคนก็บอกเออเนี่ยนะถ้าเราทากรรมมานะ ถ้ามันจะให้รวยแล้วก็คงรวยเพราะ้องเราก็ไม่ต้องทําอะไรหรอกเพราะกรรมมันจะให้เรารวยแล้วเห็น ไ, ไหมอะไรอย่างงี้ยไหมราชรถมาเกยถึงบ้านเนี่ยสิรล้อมาเกยถึงบ้านในเดือดร้อนเนี่ยอย่างเง้ยคือคําว่ารู้กรรมและผลของกรรมรู้เหตุแห่งความดีเหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่ากุศลให้ผลเป็นทุกข์อกุศลให้ผลเป็นสุขเนี่ยนะอกุศลให้ผลเป็นทุกข์เอานะ เอ้พูดอยู่คนเดียวนะเนี่ยแบบจะได้เวลาเพจแล้ชักชักงองแงแล้วเอาใหม่กุศลกรรมให้ผลเป็นสุขอากุศลกรรมให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยนะแล้วก็ขณะเดียวกันแล้วปัจจัยอะไรให้เกิดกุศลปัจจัยอะไรให้เกิดอกุศลแล้วผลแห่งกุศลเป็นอย่างไรผลแห่งอากุศลเป็นอย่างไรปัจจัยกี่ประการให้อากุศลให้ผลปัจจัยกี่ประการให้ กุศลให้ผลล้รอบรู้ลักษณะนี้เรียกว่ารู้กรรมและรู้ผลของกรรมขณะเดียวกันรู้กรรมรู้ผลของกรรมแล้วเนี่ยนะสแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลในเหล่าสัตว์สแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลรู้ว่าอากุศลให้ผลเป็นทุกข์กุศลให้ผลเป็นสุขเขาสแสวงหาว่าทํายังไงสัตว์ทั้งหลายจัดละอกุศลเพราะมันให้ผลเป็นทุกข์มันให้ผลไม่ดีทําอย่างไรสัตว์ทั้งหลายจักเจริญงอกงามใน กุศลเพราะกุศลให้ผลเป็นความสุขให้ผลเป็นความดี ก, ก็คุณธรรมของผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยก็เปรียบเหมือนแม่แม่ที่สแสวงหาสิ่งหาประโยชน์ให้แก่บุตรทั้งหลายกำจัดสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษให้แก่บุตรทั้งหลายานะลักษณะนะั้นเป็นลักษณะของผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรนั้นกัลยาณมิตรนั้นเขามีศรัทธามีตถาคตโพธิศรัทธามีกรรมสกตาศรัทธา เป็นผู้ที่มีศรัทธาที่จะช่วยส่งเคราะห์ผู้อื่นนะมีศรัทธาที่จะแสวงหาความสุขให้แก่ผู้อื่นเนี่ยนะอันนี้คุณธรรมข้อที่หนึ่งของกัลยาณมิตรที่มีอยู่ในตัวเขาานก็ต้องอ่านให้ออกว่าเขามีคุณธรรมอันนั้นไหมถ้ามีมีมากมีน้อยก็ค่อยๆเอามิเตอร์ไปวัดดูอีกทีว่ามันเยอะหรือน้อยอีกเรื่องหนึ่งนะต่อไปเป็นผู้ที่มีศีลมีศีลและสมบัติเนี่ยนะเรียกว่าสมบัติแปลว่าถึงพร้อมถึงพร้อมด้วยศีล ย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพเป็นที่สรรเสริญเป็นผู้โจททวงหมายความว่าเขาไม่ปล่อยให้ความผิดมันเกิดขึ้นเขากล้าโจดกล้าทวงเป็นผู้ติเตียนบาปอากุศลเป็นผู้ว่ากล่าวอดทนต่อถ้อยคำของเพื่อนสะพรมจารีทั้งหลายถ้าคนอื่นเขาแนะนําก็อดทนได้ขณะเดียวกันไม่ใช่เขาแนะนาประโยชน์แล้วก็คุณเป็นใครคุณทำไมแนะนำฉันทาไม คือดีอะไรมาสั่งสอนชันแกเป็นใครฉันเป็นใครเป็นต้นเนีย่ยไม่ใช่คนกลุ่มนั้นเออข อ, ขอขบคุณขอบคุณครับแม้น่าจะบอกตั้งนานแล้วนะอะไรเงี้ยนะเขามีแต่ลักษณะนั้นคนที่มีศีลเนี่ยนะคนที่มีศีลโดยปกติเนี่ยเป็นคนไม่มักโกรธลักษณะคุณสมบัติของผู้มีศีลเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นคนที่โกรธเมื่อไม่เป็นคนมักโกรธที่โกรธความที่เขามีศีลเนี่ยเขาจึงเป็นที่รักเป็นที่พอใจของคน เป็นที่เคารพเป็นที่ยำเกรงเนี่ยนะของคนดีนะไม่ใช่คนชั่วคนชั่วเป็นประมาณไม่ได้แล้วขนาะเดียวกันเขากล้าโจดกล้าท้วงติเตียนบาปเป็นผู้ที่ว่ากล่าวสามารถที่จะเอาเรื่องศีลเป็นต้นมาแนะนําบอกกล่าวผู้อื่นได้แล้วก็อดทนอดทนเนี่ยนะใครบอกก็ก็ยอมรับะนะอย่างคล้ายๆกับทศสารีบทใช่ไหมสัมมาเนนบอกก็ยอย่างท่านยังฟังอันนะ คือรับฟังนะรับฟังถ้าสิ่งนั้นเป็นความดีก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามแต่ถ้าไม่ว่าฟังทั้งหมดแล้วคนชั่วนแนะนําก็ทําตามหมดคนว่าง่ายน ะ, ะเพื่อนเลวชวนไปกินเหล้าก็ไปเกรงใจเพื่อนเพื่อนดีชวนมาฟังธรรมก็มาอีกเออคนว่าง่ายจริงๆเลยนะใช่ไหมเขาพาไปเที่ยวก็ไปพาไปฟังธรรมก็ไปพาไปวัดก็ไปพาไปเข้าบาร์เข้าเถก็ไปอ้าวว่าง่ายนี่อย่างนั้นใช่หรือเปล่า ว่านอนสอนง่ายใครแนะนำพาไปไหนไปหมดเอาลองยาเสพติดหน่อยซิเอาลองซะหน่อยเนี่ยนะกวาง่ายไ อ, อย้ยางนี้เขาเรียกว่าง่ายเขาเรียกว่าเข่ามากเลยนะโง่งมงายมา ก, ก น, นะลักษณะนั้นนะ่ะต่อไปนะคุณธรรมของกาลยาณมิตรที่สามคือมีสุตะสมบัติสุตะแปลว่าการหูวะนะทวารหูเขาเรียนมาดีมากถึงพร้อมด้วยการศึกษาว่างั้นเถอะ หมายค่ะว่าผู้ที่มีสุตตะสมบัติสามารถทําถ้อยคําอันลึกซึ้งคนที่เรียนมามากฟังมามากสามารถคําพูดเอามาพูดเกี่ยวกับสัจจะได้พูดอริยศาสตร์ได้พูดปฏิจจสมุปบาทพูดขันธาตุอเยตนะเป็นต้นได้เนี่ยนะผู้โพธิปัจจะธรรมได้อันนั้นแหละเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสุตตะสมบัติศึกษาเข้าใจอย่างดีต่อไปมีจ่าค้าสมบัติ จากคะก็คือคุณธรรมของเขาคือเป็นผู้ที่มักน้อยมักน้อยในปัจจัยสี่นะไม่ใช่มักน้อยในคุณธรรมเอ้ยธรรมะเรียนแค่นี้ก็พอแล้วเราเป็นคนมักน้อยใช่ไหมไม่ใช่มักน้อยหมายความว่ามักน้อยในวัตถุมักน้อยในมหาพูดแต่มากด้วยเจริญในกุศลสันโดษในปัจจัยสี่ สันโดษในปัจจัยสี่แล้วก็ยินดีในวิเวก ค, คือชอบสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมูอถามว่ามักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมูอเอาไปทําอะไรจะได้หนีนอนใช่ไหมเอาเวลาที่เหลือไปทําอะไรคิดดูนะมักน้อยกับมักน้อยสันโดษก็สันโดษอยู่เงียบๆไม่สนใจใครเลยไม่คบใครเลยแล้วเอาเวลาที่เหลือทั้งหมดไปทําอะไรสรุปว่าเกี่ยวข้องกับคนอื่นแค่วันละชั่วโมงเดียวไอ้ยี่สบสามชั่วโมงที่เหลือเอาไปทําอะไร ก็เอาไปเจริญกุศลแลรทำอย่างอื่นคือคิดง่ายๆคําว่ามักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คลุกคลีเนี่ยนะคือไม่เน้นพวกขัพวซัแต่เน้นอริยซัพย์จะได้มีเวลาไปสแสวงหาอริยซัพย์มากเนี่ยนะต่อไปมีวิริยะสมบัติวิริยะสมบัติก็คือเป็นผู้ริเริ่มความเพียรเป็นคนริเริ่มริเริ่มหมายว่ามีอะไรใหม่ๆออกมาเยอะเนี่ยนะ ใ น, ในเรื่องคุณงามความดีอ่ะนะมีแนวทางที่จะเจริญกุศลใหม่ๆออกมามากมายมีวิธีการเรียกว่ามีกุศโลโบายมีข้อคิดใหม่ๆ น, นิเริ่มในการสร้างคุณงามความดีใหม่ๆออกมาอีกเยอะเลยเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลาย เพียงเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพียงเพื่อประโยชน์ตนเพียงเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเพียงเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพียงเพื่อประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและเพียงเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งนั่นเองแล้วก็มีสติสมบัติแปลว่ามีสติตั้งมั่นสติตั้งมั่นหมายความว่าเป็นคนที่ไม่เลอะเลือนเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่เบลอว่างั้นนะไม่เบลอไม่เลอะเลือนไม่สับสนเนี่ยนะถึงเรื่องราวมันจะซับซ้อนขนาดไหนแต่ก็ไม่สับสนนะไม่มั่วเนี่ยนะ เขาว่าเป็นคนที่มีสตินั่นเส่วนมีสมาธิก็คือเป็นผู้ที่มีใจไม่ฟุ้งซ่านมีจิตตั้งมั่นสมาธิลักษณะของเขาคือจิตตั้งมั่นเรียกว่ามีจิตเป็นสมาธิส่วนมีปัญญาก็คือรู้สภาวะที่ผิดแผกผิดแผ่เป็นยังไงผิดแผกก็เช่นรู้ว่าสว่างนี่มันผิดจากอะไรจากมืดดํานี่ผิดจากอะไรจากขาวกุศลนี่ผิดจากอะไรอากุศล กรรมที่มีโทษผิดจากกรรมที่ไม่มีโทษทางแห่งความดีกับทางแห่งความเสื่อม น, นนะคือเรียกว่าแยกสองส่วนออกได้หมดแยกดีแยกชั่วแยกบุญแยกบาปแยกกุศลอ ก, กุศลแยกทางแห่งความดีแยกทางแห่งความเสื่อมแยกอะไรเป็นเหตุแห่งความพ้นทุกข์เป็นต้นเนี่ยนแะยกออกหมดเลยเนี่ยนะลักษณะนั้นแหละเรียกว่ามีปัญญาบุคคลนั้น คือคนที่เป็นกาลยานามิตรนั้นเนี่ยนะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคติธรรมอันเป็นกุศลด้วยสติ ส, สติเนี่ยนะเป็นเหตุให้รู้คติแห่งธรรมรู้ว่าเาช่นเราคิดหนึ่งอย่างเนะี่ยที่เราคิดเนี่ยมีผลต่อไปอย่างไรเนี่อรู้หมดเลยที่เราคิดหนึ่งความคิดของเราเนี่ยมีผลต่อไปอย่างไรแยกออกมาคนนี้คิดอย่างนี้นะความคิดตัวนี้ให้ผลต่อไปอย่างไรแจกได้ คิดแบบนี้เสียหายอะไรบ้างคิดแบบนี้แล้วดีอย่างไรเช่นความคิดที่เป็นอกุศลอกุศลเหล่านี้มีผลต่อไปอย่างไรความคิดที่เป็นกุศลกุศลเหล่านี้ให้ผลต่อไปอย่างไรจาเนกแจกแจงแยกเยะในในส่วนเหล่านี้เป็นอย่างดีคุณจาลองได้ยินไหมมามรรหอน <c oughs> มันผู้ที่มีสติเนี่ยคือรู้คติรู้ความเป็นไปแห่งธรรมทั้งหลายเป็นอย่างดีเนี่ยนะคติของมันเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยคติของกุศลคติของอกุศลคตินี้แปลว่าอะไรนะที่ไปหรือความเป็นไปรู้ความเป็นไปของชีวิตรู้ความเป็นไปของอของกุศลอกุศลทั้งหมด น, นนะแต่ตรงนี้เน้นกุศลอย่างเดียวว่ากุศลเนี่ยจะเพิ่มพูนเป็นต้นได้อย่างไร รู้สิ่งที่มีประโยชน์และสิ่งไม่มีประโยชน์แห่งสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริงด้วยปัญญาปัญญานี่แหละจะรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ต่อสัตว์เนี่ยนะเช่นถ้าไม่มีปัญญามากๆเนี่ยนะจะรู้ประโยชน์ในโลกนี้ไหมประโยชน์โลกนี้ก็ไม่ใช่จะรู้ง่ายๆถ้าเทียบไปแล้วนะประโยชน์โลกนี้เช่นประโยชน์ในการแสวงหาเลี้ยงชีพเนี่ยนะถ้าไม่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีศิลปะก็ยากนะที่จ ะ, สะแสวงหาประโยชน์โลกนี้แล้ว ประสบความสําเร็จนั้นประโยชน์โลกนี้ก็ถือว่าสแสวงหายากและใครที่รู้ประโยชน์โลกนี้สามารถประกอบอาชีพจนประสบความสําเร็จมีเวลามานั่งฟังธรรมได้นี่ก็ถือว่าไม่ง่ายนะคนที่รู้ประโยชน์เช่นประโยชน์โลกนี้และประโยชน์ต่อไปโลกหน้าพอไหมรู้ประโยชน์โลกหน้าแล้วโลกหน้าเนี่ยถามว่าเออโลกหน้าทําบุญมากๆาก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเมื่อเป็นมนุษย์แล้วเอาเอาชีวิตของมนุษย์มาทําอะไร จะได้สเสวยผลบุญให้มีความสุขเลยเพราะเหนื่อยมามากแล้วชาตินี้ทาบุญไว้เยอะเนี่ยนะชาติน่าจะสเสวยแต่ผลบุญอย่างเดียวยังว่าพอไหมอ่ะถ้าบุญหมดไปอยู่ไหนคะนี้นั่นแหละบุญหมดก็ไปอาบาเลยเพราะฉะนั้นคนที่ฉันจะต้องรู้จริงๆเลยว่าประโยชน์โลกหน้าไม่พอนะต้องมองเลยไปหาประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์คือมรรคผลนิพพานต้องมองเลย เพราะว่านี้สมมติว่าอย่างบางคนเนี่ยนะชาติที่แล้วก็ตั้งความปรารถนาสาทุชาติหน้าก็ให้มั่งมีสีสุขพอชาตินี้มามั่งมีสีสุขเอาเวลาที่เหลือไปทําอะไรทุกอย่างก็มีอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วสีมาจากสริริคือมีอํานาจอยู่แล้วเนี่ยนะมั่งมีก็คือเยอะแยะไปหมดเลยว่า ง, งั้นเถอะไม่กันดารแห้งแรงสีก็คือมีอํานาจแล้วก็มีความสุขไม่ค่อยเจ็บป่วยเอาเวลาที่เหลือไปทําอะไรนั่นเะ ก็นั่นแหละจะได้มีเวลาที่เหลือมาสแสวงหาประโยชน์ที่สูงสุดเนี่ยนะจะได้สแสวงหาประโยชน์คือพระนิพพานเนี่ยนะสแสวงหาข้อปฏิบัติให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนะมีสติมีปัญญาต่อไปมีสมาธิคือเป็นผู้มีจิตแน่วแน่ในกุศลธรรมเหล่านั้นด้วยสมาธิตั้งมั่นอยู่ในกุศลชีวิตของเขาใจของเขาเป็นไปกับกุศลโดยส่วนเดียวตั้งมั่นในกุศล ต่อไปเกียรติกันสัตว์ทั้งหลายจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วชักนำเข้าไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยวิริยะเนี่ยนะที่ ด, ดูนะคนที่ขยันแนะนำประโยชน์ให้แก่คนอื่นแล้วก็พยายามป้องกันไม่ให้คนอื่นได้รับความเสียหายได้เนี่ยอันนี้ใช้ความเพียรพยายามมากเลยนะใช้ความอุตสาหะมากเพราะว่า อ, องค์ประกอบ ที่จะกำจัดโทษให้แก่คนอื่นเนี่ยนะถ้าไม่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและไม่ขยันอย่างแท้จริงจะทําได้ยังไงป้องกันโทษให้เขาได้อย่างไรแล้วแนะนําประโยชน์ให้เขาเพิ่มพูนประโยชน์ได้อย่างไรท่านก็กล่าวเป็นคาถาประพันธ์ว่าบุคคลเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องเป็นผู้ว่ากล่าวอดทนในถ้อยคําคือคนอื่นว่ากล่าวแนะนําได้นะ เป็นผู้กระทําถ้อยคําอันลึกซึง้งและไม่ชักนําไปในฐานะที่ไม่สมควรลักษณะอันนี้แหละเรียกว่ากัลยาณมิตรอยังปัทโมธรรมโมปริปากายะสังวัตติธรรมะอันหาโทษมิได้กล่าวคือความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรคือมีมิตรอันดีงามนี้ชื่อว่าเป็นที่หนึ่งเพราะเป็นเบื้องต้นแห่งพรห ม, มจริยวาตรกัลยาณมิตรนี้เป็นเบื้องต้นแห่งการ ประพฤติพรหมจรรย์เลยนะพรหมจริยวาตรแปลว่าการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าหนึ่งใครที่จะเข้ามาบวชสมมติได้ยกตัวอย่างว่าผู้ที่จะเข้ามาบวชเนี่ยถ้าหาอุปชาอาจารย์ลักษณะนี้ไม่ได้อย่าเพิ่งบวชเด็ดขาดถ้าหาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ ด, ดังที่พูดไปในหน้าหน้าไหนนะหน้า368หาไม่ได้อย่าเพิ่งบวชเลยถ้าศึกษาธรรมะถ้าหาที่เรียนที่มีคุณธรรมเช่นนี้ถ้ายังหาไม่ได้ ก็เอาไว้ก่อนเพราะอะไรไม่งั้นเนี่ยเปื้อนบากกลับมาแน่และเพราะว่ากาลยานามิตรเป็นเบื้องต้นแห่งอธิศีนกาลยานามิตรเป็นเบื้องต้นแห่งอาธิจิตกาลยานามิตรเป็นเบื้องต้นแห่งอาธิปัญญากาลยานามิตรเป็นเบื้องต้นแห่งโสดาปฏิมักเป็นต้นและกาลยานามิตรนั้นมีอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งปวงกาลยานามิตรจะแนะนําให้เจริญทาน กาลยานามิตรจะแนะนําให้รักษาศีลกาลยานามิตรจะแนะนําให้อบรมสมถาวิปัสนาให้สมบูรณ์ด้วยสุตะเป็นต้นนั้นกาลยานามิตรจึงมีอุปการะมากให้เจริญกุศลและโดยความเป็นประธานเพื่อเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตต์โดยกระทําศรัทธาเป็นต้นที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์เนี่ยนะคือกาลยานามิตรเนี่ยน ะ, ะถ้าเขารู้ว่าศรัทธาของเราไม่ดี เขาจะเพิ่มศรัทธาให้เราถ้าเราศรัทธาในสิ่งที่ไม่สมควรเขาจะแนะนําให้เราศรัทธาในสิ่งที่สมควรถ้าเราเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่แน่นอนเขาจะชักนําให้เราเลื่อมใสในสิ่งที่แน่นอนเราเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ท่านจะแนะนําให้เรารู้จักสิ่งที่มีประโยชน์เราเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่ดีเขาจะแนะนําสิ่งที่ดีที่ที่สุดให้เราเนี่ยนะเพราะคุณธรรมของกาลยานมิตรเนี่ยนะจะต่างจากป่าประมิตร ป่าปะมิตรนี่เป็นลักษณะปอกลอกลนะจะหาเอาประโยชน์หมายคือว่าจะเอาทรัพย์สินจากคนนั้นได้อย่างไรนี่คือลักษณะของป่าประมิตรแต่ลักษณะของกัลยาณมิตรคือเพิ่มทรัพย์สนินเพิ่มโพวกขัพย์เพิ่มอริยทรัพย์ให้คนอื่นได้อย่างไรนั่นคือกัลยาณมิตรคิดป่าประมิตรคิดว่าจะทําลายโพวกข้าศ์คนนั้นได้อย่างไรเอาโพวกข้าศ์ของเขามาเป็นของเราได้อย่างไรลักษณะนั่นเป็น ปาปมิตรตรงกันข้ามกับกาลยานามิตรกาลยานามิตรจะเพิ่มโภคซัพย์ให้เขาได้อย่างไรจะเพิ่มอริยซัพย์ให้แก่เขาได้อย่างไรดงนั้นกาลยานามิตรเนี่ยจะช่วยให้การเจริญกุศลธรรมของเราเนี่ยเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องขณะเดียวกันกาลยานามิตรของเราเนี่ยนะถ้าเราได้กาลยานามิตรจะแนะนําให้มีศีนกาลยานามิตรจะทําให้เราได้ฟังอริยฟังคถาวัตถุสิบกาลยานามิตรจะทําให้เรามีความเพียรให้มีปัญญา อนาะรุ้ข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งวัตตะและวิวัตะเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นกาลยานามิตรนี้มีอุปการะมากและเป็นประธานแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระนอนุนว่าอาอนุ์ความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมิตรงามมีสหายดีงามเนี่ยนะนี้เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิน้นคือมีอยู่ครั้งหนึ่งพระนอนุนเนี่ยท่านไปนั่งคิดคนเดียวคิดว่ากาลยานามิตรนี่เป็นตั้งครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เลยนะ คือพระนรนี้ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นพระโสดาบันท่านก็เลยมองเห็นว่ากาลยานมิตรนี้เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าบอกอนโนนรเธออย่าได้พูดอย่างนั้นกาลยานมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เนี่ยนะแล้วก็ภาษาภาษาเรีบยบบทนี่ไปนั่งโอกาลยานมิตรนี้เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์จริงๆก็ท่านภาษาเรีบยบบทนี่เห็นชัดท่านเนี่ยเดินทางรอนแรมเนี่ยสแสวงหากาลยานมิตรคือสแสวงหาอาจารย์อยางนั้นเถอะ 95อาจารย์ผ่านมาแล้ว95อาจารย์อาจารย์แรกๆก็ไปเที่ยวถามตอนหลังๆมาก็ไปเที่ยวตอบคําถามแต่ตอนหลังก็ไม่ใช่สักอย่างหลังก็ไปฟังพระพุทธเจ้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าฟังครั้งแรกเอ่อฟังที่พระอัศเชียนะเอาพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาแสดงครั้งแรกก็เป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นฟังแม้กระทั่งฟังทีฆะนักสูตรเนี่ยนะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พันการที่ท่านฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้ครบพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านบรรลุมรรคผลได้พราะฉะนั้นพรหมจรรย์คือบรรลุมรรคผลทั้งหมดของท่านอาศัยกาลยาณมิตรท่านจึงบอกว่ากาลยานามิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์พระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าบอกสาทุถูกแล้วอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะเพราะปฏิเสธความที่ท่านพระ อ, อ น, นุนพระ อ, อนนท่านก็บอกว่ามิตร ด, ดีสหายดีเป็นกึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระองค์ก็บอกมาหีวงางอนาันทะ มาเหวังอานันท่าบอกอานุ์มามานี่แปลว่าอย่าอย่าอานุ์เหวังอะไรอย่างอย่าพูดอย่างนั้นไม่ใช่หรอกกลยานามิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจันทร์ของเราทั้งหลายที่ยังไม่บรรลุอรหัตตะมัศแสดงว่ายังไม่ได้กลยานามิตรจริงจริ ง, รงะนะสาธุคอยได้พบพระพุทธเจ้าไม่แน่นะแะก็หมดเวลาแล้วก็ด้วยบุญที่ฟังนี่ก็จงเป็นไปให้ได้กลยานามิตรดังสเสกได้พบกลยานามิตรที่เราตั้งไว้ที่ทําให้แจ้งพรหมจันทร์ทั้งสิ้น ในพระศาสนาตามที่หวังกันทุกคน น, นนะเช้านี้ก็เท่านี้ก่อน